จะพูดโดยรวมๆให้เราได้ทําความเข้าใจในการที่เราในฐานะที่ต้องการอยากจะอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าอยากจะเข้าเป้าบ ร, รัตนาตรัยกันเนาะคือในในการที่เราเข้ามาเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องยอมรับอยู่อย่างว่าเราเข้าถึงความเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าได้ไม่ค่อยแข็งแรง เรามีตัวอุปสรรคในการเป็นตัวขัดขวางในการเข้าถึงพระรัตนตรัยของเราเนี่ยก็คือกลุ่มกิเลสกลุ่มทุจริตทั้งหลายเหล่านี้เป็นตัวขัดขวางทาให้การเข้าถึงสาระของเราเนี่ยเศร้าหมองใช่ไหมฉะนั้นการที่เราจะสามารถเข้าถึงพระรัตนตรยได้อย่างแข็งแรงแล้วก็ตั้งมั่นเนี่ยมันไม่เรื่องไม่ใช่ง่ายเลย แคนั้นเวลาเราจัดกิจกรรมมากมายเนี่ยวัตถุประสงค์เดียวเท่านั้นก็คือต้องการที่จะเอากิจกรรมหรือสิ่งของที่เราจัดนั่นขึ้นมานั้นเพื่อเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนในการที่จะกระตุ้นเตือนให้เราเข้าถึงพระราตนตรัยได้อย่างแข็งแรงและมั่นคงไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในการที่ไปไหว้พระไปสถานที่ประสูติตรัสรู้แสดงวัฒธรรมจักรหรือปริณิพานของพระเจ้า หรือจัดการอบรมประพฤติปฏิบัติฟังธรรมหรือกิจกรรมปฏิบัติธรรมทั้งหลายเหล่านี้อันนั้นก็เป็นเพื่อต้องการเป็นอุปรกรณ์หรือเป็นปัจจัยเกื้อหนุนทำให้เราได้แข็งแรงในการเข้าถึงพระรณ า, าตรายัยขนาดมีอุปรกรณ์ช่วยอะไรมากมายอย่างนี้แต่ก็หลายๆอย่างก็ยังไม่ประสบความสาเร็จชาวพุทธของเราก็ยังเข้าไม่ถึงวรรณ า, าตรายัย ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องศรีรังการนิดหนึ่งสรุปให้ฟังยอมถามประเด็นตรงนี้เข้าใจที่ยอมจะถามว่าทำไมชาวศรีรังกาจึงมีความผูกพันและก็แนบแน่นกับพระรัตนตรัยมากกว่าคนไทยคือศรีรังกาเนี่ยต้องยอมรับว่าตอนที่พุทธศาสนาเข้าไปในยุคที่พระมหิน ท, เทัเถระพร้อมด้วยคณะ นำพุทธศาสนาไปในยุค200กว่าปี300ปีในยุคของพระเจ้าเทวานพยติศาสในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่พระอรหันต์ท่านจาริกไปเองและประวัติศาสตร์ก็ไม่ไ ม, ไม่ขาดตอนฉะนั้นเมื่อท่านจาริกไปเองระดมเข้าไปประกาศพระศาสนาที่ลังกาทวีปโดยเฉพาะก็คือพันธ์พระมหินท่าเถระเนี่ยท่านก็เป็นบุตรเป็นลูกของพระเจ้าโศกมหาราช พระเจ้าโศกมหาราชก็เป็นสหายกับพระเจ้าทำเทวานบียติสาฉันเวลาส่งบุตรส่งลูกไปประกาศศาสนาและลูกชายก็เป็นพระรหารด้วยลูกชายเป็นลูกเศรษฐของพระโมคคิรบุติสาเทระพร้อมด้วยพ ร, พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ที่ไปล้วนเป็นพระรหัารไม่ใช่แค่นั้นหลังต่อ น, นั้นมาอีกไม่นานก็ส่งลูกสาวซึ่งชื่อานางสังฆมิตราเถรีซึ่งเป็นภิกษุณีบมรู้เป็นพระรหารด้วย นำกิ่งต้นพระศีมหาโพธิ์ทึ่งไปประดิษฐานอยู่ที่นี่อนุราธาปุระในปัจจุบันเนี้และกิ่งต้นพระศีมหาโพธิ์ที่เพาะชำไปจากพุทธกริยาก็ยังมีชีวิตอยู่ยืนยาวจนเท่าทุกวันเนี้ก็คือสองพันกว่าปีเป็นต้นโพธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดจนขนาดบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กว่าเป็นต้นโพธิ์ต้นไม้ที่เก่าแก่ที่สุดใช่ไหมชาวศรีรังกาเข ก, ก็หวงแหนก็เคารพ บ, บูชาและไม่ใช่เฉพาะแค่นั้นในยุคหลังๆต่อมาก็มี เจ้าชายทันตากุมารตลอดถึงทิดาที่เป็นมเหสีเนี่ยพากันเอาพระทันตธาตุของพระเจ้าด้านเบื้องล่างด้านซ้ายก็ไปประดิษฐานที่ลังกาฉะนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ลังกาเขาได้เนี่ยเขาได้โดยตรงจากพาระอรหันต์ไปเผยแผ่ แล้วกพระอรหันต์อุบัติเกิดขึ้นในนั้นน่มีรอยจารึกหลักฐานมากมายฉะนั้นเมื่อพระระดับพระอรหันต์ภิกษุภิกษุนีอุบาสกและบาสิกาพุทธบริษัท4ี่เนี่ยที่ไปเกิดขึ้นในลังกาทวีปเนี่ยตั้งแต่เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ตลอดถึงราชนิ ก, กูลลงมาจนถึงชนทุกชั้นได้สัมผัสกลิ่นไอของพุทธศาสนาอย่างรากลึกลงสู่กระแสชีวิต ปักแน่นลงไปคือทาให้บุคคลเหล่านั้นเข้าถึงสารณาคมได้อย่างแท้จริงอย่างในพระ ส, สูตรแรกๆที่ท่านพระมหินทะเทระแสดงอย่างยกตัวอย่างเช่นจุรหัตถิปโทปมัสสูตรเป็นพระ ส, สูตรที่พูดถึงในเรื่องของรอยเท้าช้างสูตรเล็กประดุ ด, ดังว่ามวลหมู่มนุษย์ปรารถนาอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับบุคคลที่เป็นนายพานเนี่ย เดินตามรอยเท้าช้างที่มีรอยมีรอยขีดข่วนมีรอยอุจจาระปัสสาวะแล้วก็รอยเดินรอยนั่งรอยนอนเนี่ยของช้างแต่ยังไม่ได้เห็นตัวช้างแต่ปรารถนาอยากจะเห็นช้างเนี่ยก็จะต้องตามรอยเท้าช้างตามรอยขีดข่วนของช้างตามรอยการกินยุ่งกินหญ้าการนั่งการนอนของช้างวัตถุสงค์เพื่อจะได้ไปเห็นรอยเท้าช้าง แต่ถ้ายังไม่เห็นตราบใดก็ยังไม่ปร่งใจก็คือหลักการปฏิบัติว่าพุทธบริษัทหรือมวลบุคคมนุษย์ที่ปรารถนาอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าในฐานะว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเนี่ยก็ต้องเดินตามรอยเท้าคือเดินตามร่องรอยของทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาหรือเดินตามรอยของศีลวิสุท ธ, ธิความบริสุทธิ์หมดจดแห่งศีล นั่นเห็นรอยเท้าระดับฉินจิตตวิสุทธิความหมดจดแห่งจิตระดับปฐมฌานทุติยฌานตัติยฌานจดุระฌานและรูปฌานแล้วก็ทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งทิฏฐิก็คือเดินตามลําดับของวิปัสสนาปัญญายาณที่เห็นความจริงกังขาวิตรณวิสุทธิเดินตามยานปัญญาที่ก้าวล่วงความสงสัยได้มัคคามาัคคายานัทสนวิสุทธิ สามารถเดินยันตามยานปัญญาวารู้อันนี้ทางอันนี้ไม่ใช่ทางอันนี้เป็นทางไปสู่มัชิมาปฏิปทาไปถึงนุปปาทาปรินิพพานนี้ไม่ใช่แล้วก็ปฏิปทายานทัศ น, าานวิสุทธิอันนี้เป็นวิปัสนาญาณระดับสูงขึ้นไปแล้วก็ญานทัศ น, าานวิสุทธิก็คืออาริยมครคอริยผลอาริยมร์ถ้าตราบใดพุทธบริษัทหรือมวลมนุษย์ยังไม่สามารถประชุมโสดาปฏิมร์โสดาปฏิผล หรือไม่สามารถประชุมญาณที่ประชุมลงในอริยสัจสีได้ตราบใดก็ยังไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าตราบนั้นแต่ถ้าไปเห็นได้ทุกทลวงอริยาาสัจธรรมทั้งสีแล้วเนี่ยตราบใดแปลว่าท่านผู้นั้นได้เห็นพระพุทธเจ้าที่บอกว่าโยธ ร, รมมังปสติโสมังปสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเถาฉะนั้นการเห็นพระตรรมคดก็คือเดินตามรอยแบบนี้ตามรอยของศีล วิสุทธิจิตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรานวิสุทธิมคามคาญาณทัศนปฏิบัตและก็ญาณทัศนวิสุทธิหรือเดินตามรอยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาชีวสัมมาวามารสมาสติจะถึงสัมมาสมาธิก็คือสมาธิในอริยมรรคถ้าเดินตามได้อย่างนี้จริงๆก็จะไปเห็นพระพุทธเจ้าในฐานะที่เราทําญาณปัญญาประชมลงในอริยสัจเป็นต้นได้เมื่อถึงวารานั้นจริงๆจึงแน่ใจว่าพระพุทธเจ้าดีจริง พระธรรมดีจริงๆพระสงฆ์ดีจริงๆพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยกำจัดภัยได้จริงพระรัตนตรายเนี่ยยิ่งใหญ่จริงๆโลกุตระโลกุตระศาราณาคมเนี่ยเป็นสรารณาที่ป้องกันชาติภยัยชาราภายัยพยาธิภยัยมราณะภัยได้จริงฉะนั้นท่านพัฒมหินทราเถเลเนี่ยท่านไปประกาศหลักการอย่างนีงน้จนทําให้พุทธบริษัท หรือมวลมนุษย์ในยุคนั้นเน่ยเข้าถึงความเป็นพุทธบริษัทอย่างแท้จริงตั้งแต่พระราชามหากษระสัดลงไปยันยันประชากรทั้งหลายแบบนี้นี่แปลว่าอะไรแปลว่าย่างรากลึกจนสามารถทําให้มวลมนุษย์จากปุถุชนเข้าถึงความเป็นอริยะจากมนุษย์ธรรมดาเข้าถึงความเป็นพุทธะจากบุคคลที่ไม่ได้ความงามของพระธรรมเข้าถึงความงามของพระธรรมระดับศีล ร, ระดับสมาธิระดับปัญญาเป็นต้นได้เนี่ก็เขาแนบแน่นแล้วอยู่ต่อมา พุทธศาสนาก็เจริญสู่กระแสชีวิตของชาวศีลังกาอย่างยาวนานทุกยุคทุกสมัยจนมาถึงยุคอายุทยาตอนนั้นฮอลันดาฝรั่งเศสฮอลันดาโปรตุเกสและอังกฤษเข้าไปปกครองแล้วก็ไปยัดเยียดไปบังคับขู่เข็นขับไล่พระทำลายพระสงฆ์องค์เจ้าริาทำลายวัดวาอารามแล้วพุทธบริษัทก็ถูกกดขี่อย่างหนัก เขาก็รักษาต้นพระศรีมหาโพวไว้รักษาพระเขียวแก้วเขาไว้ส่วนหนึ่งก็กระจัดกระจายคนจนก็เข้ามาเข้ารีดาศาสนาคลิกกันมากพุทธศาสนาก็เกลีกก้ยงหมดพอต่อมาเขาเริ่มการเป็นปึกเป็นแผ่นึ้นมาเบ็เสร็จปุ๊บเขาก็มาขอพระสงฆ์ของเขาขาดาศาสนาไป400รยกว่าปีแต่บางส่วนเขาก็รักษาไว้ไม่ให้พระเกียวแก้วโดนทาลายไม่ให้ต้นพระศรีมหาโพ บางส่วนแต่ส่วนอื่นก็โดนทําลายไปอีกมากมายต่อมาก็ก็ส่งสมณทูตมาที่อยุธยามาขอพระสงค์จากไทยเหล่าจากอายุธยาในยุคนั้นก็คือยุคพระเจ้าบรมโกศก็ส่งพระอุบาลีพร้อมด้วยคณะพอส่งเข้าไปตอนนั้นก็เรือก็แล่นแล่นไปพอไปถึงนครศรีธรรมดาก็ล่มไปไม่ได้ ก็ต้องไปอยู่นครสีธรรมราช น, นอีกเป็นปีพายุอยู่ต่อมาก็ใส่เรือกำปั่นของชาวฮอลันดาอีกปีหนึ่งก็ไปเดินทางใช้เวลาเดินทาง5เดือนกับ5้าวันถึงลังกาผ่านพายุก็คิดดูมหาสมุทรอินเดีย ไ, ไ, ไปข้าขึ้นที่โคลัมโบแล้วก็ต้องเดินทางจากโคลัมโบไปแคนดี้ใช้เวลาปินแรมเดือน และในที่สุดจริงๆก็ไปบวชกุลบตรขึ้นมาใหม่ในยุคนั้นก็มีสมณมนสารนังกรพร้อมด้วยกันนะท่านไปทำงานเผยแผ่พระาศาสนาอยู่สามปีบวชภิกษุได้เจ0ดร้อยรูปแล้วก็บวชสมณมีได้3ามพันรูปและต่อมาท่านก็มรณาภาพทำไมชาวศีลังกาจึงรักพระาศาสนาเพราะเขาเคยขาด 400รอปีการขาดพระวรรณะไ ต, ตาการไม่มีพระวรรณะไ ต, ตหล่อเลี้ยงกระแสชีวิตเนี่ยมันทุกข์เหมือนแกงจืดและรู้คุณเกลือเราเนี่ยไม่เคยขาดเกลือเราจึงไม่รู้เนี่ยพุทธชาวไทยไม่ไม่เคยขาดพุทธศาสนาจึงไม่รู้ว่าพุทธศาสนาสำคัญกับชีวิตยังไงฉะนั้นเวลาเขาขาดแล้วต่อมาเขากลับคืนมาได้ถามว่าเขาจะรักของเขาไหม เขาจะหวงของเขาไหมเขาจะทุ่มเททั้งชีวิตจิตใจไหมฉะนั้นครั้งหลังสุดเขาจึงย่างรากลึกลงอย่างเก่าอีกเข้าไปสู่ชีวิตจิตใจแม้วิถีชีวิตชุมชนแม้กระทั่งเด็กเล็กๆ เ, เขารีบเอาเข้ามาศึกษาเอามาประพฤติธปฏิบัติเวลาเข้าไปกันเนี่ยเวลาไปสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยวันสําคัญเนี่ยเขาไปจองกันอย่างไปดูภาพยนตร์กลางแปลงจองเป็นที่กันเป็นครอบครัวครอบครัวก็วเป็นหมื่นเป็นแสนไปจองที่สวดมนต์ไหว้พระ เขาไปกันขนาดนั้นเขาพาลูกสวดมนต์พาหลานสวดมนต์ไปเนี่ยนั่งสวดมนต์กันเป็นครอบครัวครอบครัวครอบครัวและเวลาเขาเดินขึ้นเขาอดัมพีกหรือศิริปาทะเนี่ยหกกิโลเจ็ดกิโลเดินขึ้นไปนะเขาเดินทั้งคืนเดินขึ้นไปสูงบนก็พอถึงเริ่มจะยอดเขาเนี่ยสี่สิบห้าองศาความชัน 45องศาเขาก็เดินขึ้นไปเพราะเขาถือว่าพระพุทธเจ้าคอยเขาอยู่ตรงนั้นเขามีจุดหมายเดียวก็คือเขาจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วเขาบอกว่าชาติหนึ่งเขาต้องไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่อดัมพีกเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่าสองครั้งเกิดมาในชาติหนึ่งของชีวิตเขาอุทิศกายอุทิศใจถวายชีวิต เป็นพุทธบูชาแก่ขนาดไหนเขาให้ลูกจูงไปบางคนอยู่ไกลแสนไกลเขาให้ลูกจูงไปเพื่อจะไปเฝ้าพระเจ้าเขาถือว่าเมื่อไปเอาศีรษะศพพระบาทของพระเจ้าบนน้นแล้วเนี่ยเขาเชื่อว่าเกิดมาแล้วไม่เสียชาติเกิดเชื่อว่าเขาจะได้สุคติเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยรับเขาเป็นพุทธบริษัทแล้วเห็นไหมเขายอมอุทิศกายอุทิศใจในการที่จะทุ่มเทอย่างนั้น ถามว่าทําไมเขาอย่างพุทธศาสนาเข้าสู่ในกระแสชีวิตเขาได้ขนาดนั้นเพราะความที่เขาเคยขาดคําว่าไม่มีที่พึ่งเนี่ยมันเป็นยังไงมันเหงามันว้าเวยมันทุกข์มันทรมารยังไงเขารู้ฉะนั้นการที่เขาได้ไปไปเฝ้าหรือไปบูชาไม่ต้องคนอื่นเอาอาตมา น, นี่ยคณะที่ไปกันมาไม่กี่วัน มาก็บอกบนรถว่าทำไมเราจรึงต้องมาที่อดัมพีกทำไมเราต้องไปเป้าพราานะเจ้าที่ตรงนั้นทำไมเราต้องมาอุทิศกายและอุทิศใจและอุทิศชีวิตในการที่จะเดินป่าความหนาวความทุกข์ทรมานจากการที่เรามีอัตภาพก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรเล ย, เยทำไมเราต้องกล้าทำขนาดนั้นถ้าการเดินหกชั่วโมงก็ขอไปการเดินเนี่ยกิโลขึ้นไป หกิโลลงมาวันและคืนหนึ่งที่เราเดินขึ้นไปและเดินลงมาเดินไปกลางคืนลงมากว่าจะถึงก็ประมาณสิบโมงถึงถึงสิบเอดโมงที่การที่เรากล้าที่จะเดินไปอย่างนี้ถ้าจะทําให้สังสารวัตรคือการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรของเรามันหดสั้นลงเนี่ยมันคุ้มมันคุ้ม มันที่ผ่านมาเนี่ยเราเนี่ยเดินไปหารูปที่สวยๆเสียงที่พอพๆกลิ่นน้มหอมรส อ, อร่อยสัมผที่นิ่ๆเดินเพื่อไปหากามคุณเราให้ตัณหาเป็นตัวหลอกล่อมานะทิฐิทั้งหลายเป็นตัวขับเคลื่อนตัณหามานะทิฐิอยากจะได้อะไรเราอุทิศกายอุทิศใจในการเที่ยวไปหา เรายอมเจ็บยอมปวดยอมตายได้ทั้งไปในการที่เราจะสแสวงหาการมะคุณเรายังกล้าเลยแต่มาครั้งเนี้เราจะสแสวงหาพุทธคุณเราจะสแสวงหาความไม่เกิดสแสวงหาความไม่แก่สแสวงหาความไม่เจ็บสแสวงหาความไม่ตายสแสวงหาความไม่เศรา้าโศกแสวงหาความไม่เศร้าหมองคือพนานิพานทําไมเราจะไม่กล้าถ้าการเดินครั้งนี้ของเราถ้าชีวิตเราวิบัติ แต่ว่าสังสารวัตมันสั้นลงมันคมไหมนันก็คมฉันก็ถามทุกคนคมไหมคมฉะนั้นเมื่อคมก็จงสมาทานถวายอัตภาพเป็นพุทธบูชาแล้วก็เดินไปถวายพระเจ้ทาทุกย่างก้าวที่เดินมีค่าทุกก้าวที่ก้าวเดินที่จะไปฝ้าพระเจ้า มีค่ากว่าทรัพย์อย่างละห้าร้อยโคอย่างละห้าร้อยมาอย่างละห้าร้อยช้างอย่างละห้า้อยค่าธาตุบริวารอย่างละห้า้อยทรัพย์สมบัติแต่ละอย่างอย่างละห้าร้อยเกียรติยศชื่อเสียงอย่างละห้าร้อยมันคุ้มมากกว่าเพราะว่าการที่เราเดินถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเครื่องสาการะบูชาของเราคืออะไรคือศีลคือสมาธิคือปัญญาคืออัตภาพนี้ เราต้องการน้อมที่จะถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าเพราะบอกทุกคนทุกคนก็พร้อมเออการมันเป็นทานบา ร, รมียังไงเป็นทานอุปบารมียังไงเป็นทานนปรมัทบา ร, รมีอย่างไรทานบา ร, รมีเราจะเอาของนี้ไปถวายพระพุทธเจ้าดงนั้นอุปสรรคใดๆมาขัดขวางเราก็จะไม่ยอมแล้วจะถือขึ้นไปทานอุ ป, ปบา ร, รมีเลือดสรีระเขา่า อวัยวะมันจะขาดมันจะชาาาํารุดไตทั้งไตตับปอดหัวใจจะชํารุดจะสึกหลอจะวิบัติไปเราก็จะไม่อะไรกายนั้นหรือสลีละนั้นก็เป็นทานะอุปบารมีถึงแม้ว่าชีวิตมันจะขาดลงไปหรือมันหมดไปเพราะเรามาใช้ร่างกายแบบนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยเราก็กล้าที่จะสละเป็นทานนะปรมัตรรมรมีเห็นไหม เราได้ทั้งทานบารมีทานอุปบารมีทานนับปรมัตาบาร ม, าารมีเพื่ออะไรเพื่ออนุปาทาปรินิพานเชื่อเถอะว่าเมื่อเราทําอย่างนี้แล้วเนี่ยสัพพัญญตยานของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้จดบันทึกประวัติศาสตร์ชีวิตเราเรียบร้อยแล้วเราได้สร้างชาดกคือประวัติศาสตร์ชีวิตของเราเนี่ยบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์เรียบร้อยแล้วว่าถ้ายังไม่พ้นจากสังสารวัฏ ไปเจอพระเจ้าพระเจ้าองค์ต่อไปก็จะแย้มพระโอษฐ์ก็จะเล่าประวัติเราว่าท่านพวเนี้เคยบูชาเราโดยการเดินขึ้นเขาเนี่ยไม่เหน็ดเหนื่อยเหนื่อยก็ทนยอมสละชีวิตเพื่อเราแล้วก็เล่าว่ามากันกี่คน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ฉันเห็น <c oughs> <c oughs> ไ, ไหมแม้พระพุทธ ศ, ศาสนาก็บันทึกประวัติศาสตร์ <c oughs> เราได้สร้างชาดกเรื่องหนึ่ง เป็นชาดกที่ดีว่าท่านผู้นี้คณะนี้หมู่ชนนี้ได้อุทิศกายอุทิศใจเพื่อสัมมาสัมโพธิเพื่อสัพพัญญุตยานเพื่อเพื่อพระรันตนไตรเพื่อเราฉะนั้นกระแสชีวิตเนี้ยเราจะปล่อยให้จมอยู่ในสังสารวัฏไม่ได้เราจะต้องไปขนสัตว์หรือสัตว์ประเภทเนี้ยให้พ้นจากกิเลสและกองทุกข์เพราะท่านผู้นี้อุทิศเราบูชาเราโดยไม่อะไรกายและชีวิต นั้นเราจะปล่อยให้สัตว์เหล่านี้จมอยู่ในสังสารวัตรไม่ควรแกเราเลยพุทธิเจ้าทรงดาริอย่างนี้แน่นอนฉันได้ทําเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ฉั้นกุศลเหล่านี้ก็ยกให้พวกเราให้พวกเราได้มีส่วนนะยกให้ทั้งหมดให้เรามีส่วนในการพ้นจากกิเลสและกองทุกข์โดยเร็วพลันเมื่อกี้ตอบปัญหาว่าโยมบอกว่าทําไมชาวศรีลังกาเขาจึงฝังรากเลึก นั้นคำว่าแกงจืดรู้คุณเกลือชัดไห ม, ไหมเราไม่เคยขาดภาระตะนาตรายเราไม่รู้หรอกว่าขาดแล้วจะว้าวียังไงชีวิตที่ไม่มีศรัทธาไม่มีไม่มีภารตนาตรายเป็นหลักนําชีวิตไม่มีพุทธะเป็นหลักนําชีวิตไม่มีธรรมะเป็นหลักนําชีวิตไม่มีสังฆะเป็นหลักนําชีวิตเป็นชีวิตที่ว้าวีถามว่าศรัทธาเนี่ย จักบริบูรณ์ที่ไหนความเพียรจักบริบูรณ์ที่ไหนสติจะบริบูรณ์ที่ไหนสมาธิจักบริบูรณ์ที่ไหนแล้วก็ปัญญาจะบริบูรณ์ที่ไหนแล้วบอกว่าศรัทธาจักบริบูรณ์ที่โสตาปริยังคะธรรมถ้าจะวัดว่าเรามีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธาต้องไปวัดตรงไหนหนึ่ง ว่าที่ตถาคตโพธิสัตว์ทาเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตไหมเชื่อมั่นไหมว่าท่านผู้นี้บำเพ็ญทานศีลเนคขมะจนถึงเวขาบำเพ็ญอุปปรมีปร ม, ปะะมัภิธรรมีและบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาฝึกผลพัฒนาตนเองจนสามารถแทงตลอดกิเลสและกองทุกข์ได้ด้วยศักยาภาพความรู้ความสามารถที่ตัเองสั่งสมเพาะบ่มมาอย่างยาวไกล จนสามารถเป็นสัมมาสัมพุทธะได้มีปัญญาตัวนี้ไหมมีความเชื่อตัวนี้ไหมเชื่อไหมเชื่อปัญญายาณของพระองค์ที่แทงตลอดอายะศาสีไหมและเอาความเชื่อเหล่านั้นย้อนกลับมาเชื่อมั่นศักยภาพตนเองไหมว่าเราก็จะฝึกพัฒนาศีลสมาธิโดยเฉพาะปัญญาให้เกิดขึ้นในตนทําปัญญายาณให้เกิดขึ้นเป็นมันจากมนุษย์ธรรมดาเป็นพุทธะตามท่านได้ จากปุรุชนธรรมดาเป็นอริยะตามท่านได้จากบุคคลที่ไม่เข้าถึงความงามของศีลสมาธิปัญญาจะฝึกตนเองให้เข้าถึงความงามของศีลสมาธิปัญญาตามแบบอย่างอริยชนนั้นให้ได้และมั่นใจว่าได้อย่างแท้จริงเรามีตรงนี้หรือยังถ้ายังไม่มีมีเฉพาะข้างนอกไปเชื่อเฉพาะพระเจ้าแต่ไม่เชื่อมั่นตนเองนี่ก็เรียกว่าไม่มีตถาคตโพธิสัตว์ ก็คือเชื่อมั่นว่าเราเนี่ยจะสามารถฝึกตนเองจนสามารถเป็นอย่างที่ท่านเป็นเข้าถึงความเป็นพุทธะได้จากมนุษย์ธรรมดาจะเป็นพุทธะตามพระเจ้าให้ได้จากบุรุชนธรรมดาจะเป็นอริยะตามพระเจ้าให้ได้หม่อริยสงฆ์เป็นต้นได้จากบุคคลที่ยังไม่เข้าถึงความงามระดับศีลสมาธิปัญญาจะต้องเข้าถึงความงามระดับศีลสมาธิปัญญาให้จงได้ ถ้าเชื่อมั่นอย่างนี้แล้วมั่นใจว่ามนุษย์ทำได้แน่นอนเพราะเห็นมนุษย์ท่านแรกทำได้คือพระพุทธเจ้ามนุษย์อย่างเราก็ต้องทำได้ถ้ามีความเชื่ออย่างนี้โดยไม่ลังเลสงสัยเมื่อไหร่อันนี้ได้แล้วนะระดับศรัทธาที่เป็นตถาคตโพธิศรัทธาระดับที่สองระดับที่สองก็คือระดับศีลเมื่อมีความเชื่อมั่นแล้วเนี่ยอริยกันตศีลอปรามัทธศีล ศีลที่เป็นอริยกันตศีลศีลที่พระอริยบุคคลชื่นชมและรักใคร่เราฉลาดรอบรู้แบบอย่างแบบแผนของหมู่อริยชนเหล่านั้นจริงไหมถ้ารู้และฝึกตนเองตามแบบอย่างของอริยศีลอริยชนศีลของหมู่อริยชนเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องดีงามและเข้าใจวัตถุประสงค์เข้าใจศีลทุกขั้นตอนโดยไม่หลงไม่งมงายไม่มืดบอด เข้าใจตัวศีลว่าเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยดีงามเป็นปัจจัยต่อความปราโมดความล่าเริงเบิกบานเป็นปัจจัยแก่ปีติความอิ่มใจเป็นปัจจัยแก่ปัสสทิความสงบเป็นปัจจัยแก่สุขสมนัตเป็นปัจจัยแก่สมาธิและเป็นปัจจัยแก่ปัญญาที่เข้าไปรู้ตาเห็นตามความเป็นจริงอย่างแท้จริง เข้าใจขั้นตอนการพัฒนาพฤติกรรมจิตใจและพัฒนาสุปัญญาในระดับแห่งการเดินไปตามแบบอย่างของหมู่อริยชนและก็ดําเนินไปตามนั้นได้อย่างความรู้ความเข้าใจโดยถูกต้องและดีงามเพื่อความบริบูรณ์สูงสุดของการที่จะเข้าถึงจุดหมายสูงสุดอย่างแท้จริงของการรักษาศีลถ้าเข้าใจอย่างนี้อย่างท่องแท้และก็ไม่ผิดเพี้ยนอันนี้ได้แล้วระดับศีลใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าเริ่มวัดแล้วคําว่า ศรัทธาเนี่ยบริบูรณ์ที่ตรงนี้ประการต่อมาคือว่าสุดตามีข้อมูลของพระรยาเจ้ามีข้อมูลของพระเจ้าที่เพียงพอต่อการที่จะขจัดความลังเลสงสัยทำให้ตนเองมั่นใจต่อแผนที่ที่กำลังเดินอย่างชัดแจ้งและก็อย่างแท้จริงโดยชนิดที่ว่าเห็นแผนที่รู้ทันทีว่าเราจะดาเนินตามแผนที่นี้ไปเข้าสู่การสิ้นจกกักริย และกองทุกได้ด้วยสุดตะด้วยข้อมูลของพระรยาเจ้าคือของพระเจ้าหรือของหมวลริชชนที่สืบทอดกันมาอย่างนี้ได้อย่างถูกต้องดีงามแล้วก็มีความเชื่อมั่นต่อแผนที่นี้โดยไม่ไปหยิบเอาแผนที่อื่นมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเออนี่ชัดหรือยังประการที่สี่ก็คือว่าจาคะไอจาค่ะเนี่ยคือการสละข้างนอกไม่พอแต่สละข้างใน ไอ้ตัวกิเลสคือการมฉันท่าถูกสละออกความติดใจไฝ่กระสันถูกสละออกความพยาบาทถูกสละออกความหดหู่ท้อถอยถูกสละออกความฟุ้งซ่านลำคาญใจถูกสละออกความลังเลความสงสัยความไม่รู้ทุกครั้งที่ดําเนินไปตามทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาไอ้กิเลสเหล่านี้ถูกสละออกตลอดจาฆ่าสละสําลอกกิเลสได้อย่างติดต่อและต่อเนื่อง และก็รู้ด้วยว่าสละนอกไม่พอต้องสละข้างในยังไงตรงนี้ก็มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดแจ้งและก็น้อมในการที่จะสละกิเลสออกจากกระแสชีวิตทุกวันติดต่อและต่อเนื่องถ้าเข้าใจตรงนี้แปลว่าหนึ่งยังด้านจากะนิ่ชัดสุดท้ายก็คือด้านปัญญามีปัญญารู้และเข้าใจในแนวทางในการที่จะฝึกผลพัฒนาตนเองและก็พัฒนาสู่การที่จะทําปัญญาให้สามารถชําระ ก, กิเลส เข้าไปถึงความเส้นทุกข์ได้โดยไม่ยากลักษณะนี้เขาเรียกว่าศรัทธาวัดที่ตรงนี้ถ้าถามว่ามีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธาก็ไปวัดกันตรงที่โสตตาไปตียังคาธรรมธรรมที่จะทําให้เป็นพระโสดาบหรือคุณสมบัติแห่งการที่จะฝึกตนเองเป็นภาริยะถ้าได้อย่างนี้เขาเรียกมีศรัทธาแต่ถ้าได้แค่เชื่อ แต่ไม่ยังลงตถาคตโพธิสัต t h าไม่ยังลงสู่อริยกันตศีลไม่ยังลงต่อสุตตาของอริยะไม่ยังลงสู่จาระค้าและปัญญาอันนี้เขาเรียกยังไม่ได้ศรัทธาในพระศาสนานี้อันนี้เป็นเครื่องอันนี้เขาเรียกเครื่องวัดเขาใจะยัยยงเพราะว่าศรัทธามันจะมีเครื่องวัดตรงที่โสตตาปรียงก็ทำนี้ เข้าใจอย่างตัวเนี้ย เ, เนี่ยนี่คือคือคือหลักการวัดตัวเองตรวจสอบตัวเองว่าได้ศรัทธาหรือไม่ได้ศรัทธางั้นมัจะบางคนบอกว่าฉันมีศรัทธาต้องมีเครื่องวัดห้าอย่างอันนี้เป็นเครื่องวัดยังไม่บริบูรณ์ งนั้นตรงนี้ก็ต้องเข้าใจว่าเนี่ยคือเครื่องวัดตรวจสอบตัวเราเองว่ามีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธาสอวิริยะคือความเพียรวัดที่ไหนสมบูรณ์ที่ไหนสมบูรณ์ที่สมประทาน4 1. เพียรในการละบาปเก่ามีความเกล้ากล้าอาถานในการที่จะกล้าเด็ดเดี่ยว ในการที่จะละบาปเก่าทุจริตเก่าอากุศลกรรมเก่าที่เคยเกิดกับเราเราเนี่ยมีกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตมีราคาโทสะโมหะที่เคยเกิดแล้วก็เกิดอยู่ตลอดแล้วก็ชํานาญมากอกิเลสประเภทนี้เราได้สมาทานตั้งมั่นไหมว่านับตั้งแต่ขณะนี้เป็นต้นไปบาปเก่าทุจริตเก่าอักษรลกรรมเก่าที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอัตภาพนี้ เราจกไม่ให้บาปเก่าทุจริตเก่าอาักศรกรรมเก่าเหล่านั้นมาเกิดในกระแสะชีวิตของข้าพเจ้าอีกนับตั้งแต่ขณะนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงซึ่งความทุกข์ <c oughs> <c oughs> ได้ตั้งอย่างนี้ไหมถ้าตั้งอย่างนี้แปลว่าได้แล้วตั้งบ่อยๆ <c oughs> การตั้งอย่างนี้แล้วก็ตั้งบ่อยๆแล้วก็คอยขจัดจริงๆด้วยเวลามีความโลภโกรธหลงมีความหงุดหงิดแบบเกา่าๆมีเห็นใครต่างๆเข้ามาแล้วบาปมันจะเกิดก็สมาทานละแล้วก็ละได้นี่บาปเกา่าเพราะมันชำนานไหมมันเคยเกิดจนคุ้นเคยไหมนะมันคุ้นเคยมาก ความโลภแบบเก่าๆความโกรธแบบเก่าๆความหลงแบบเก่าๆความหงุดหงิดแบบเก่าๆความงงแงีแบบเก่าๆความหดหู่ท้อถอยแบบเก่าๆความสงสัยแบบเก่าๆความกำหนัดแบบเก่าๆความลังเลสงสัยความฟุ้งซ่านลำคาญใจแบบเก่าๆไอ้สิ่งเก่าๆที่มันเคยเกิดเนี่ยมันชํานาญมากแล้วมันก็ไหลามาเกิดจิตตะเดาราก็เลยสมาทานตูมเลยเลิกคบนะตั้งแต่ขนาดนี้เป็นต้นไป จะไม่ให้บาปเก่าทุจริตเก่าอากุศลกรรมเก่าเนี่ยมาเกิดในกระแสชีวิตจริงที่จริงคนใกล้ตัวมันไม่ได้มีปัญหาแต่ใจเรามันมีปัญหาใช่ไหมล่ะบาปมันไม่ได้เกิดที่คนใกล้ตัวแต่บาปมันเกิดในใจเราเราต้องสมาทานทิจะละ ต้องสมาทานสมาทานตั้งมั่นว่าท่านผู้นี้มาด้วยบุญของเราเขามาเพื่อให้เราได้มีโอกาสฝึกถ้าอย่างเราเนี่ยต้องเจอคนแบบนี้แหละมันถึงจะฝึกได้ถ้าถ้าไม่เจอคนแบบนี้ถ้าไม่เจอสิ่งแวดล้อมอย่างนี้แล้วขันติบารมีมันจะเกิดได้อย่างไร สัจจะบา ร, รมีจะเกิดได้อย่างไรอธิษฐานบา ร, รมีจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรฉะนั้นเมื่อเราเจอสถานการณ์เจอบุคคลเจอสิ่งแวดล้อมอย่างนี้มันมาด้วยกําลังบุญของเราเนาะนั้นพอพอคิดอย่างนี้ปุ๊บมีกําลังใจไหมนพอคิดอย่างนี้มีกําลังใจเลยใช่ไหมเลยเห็นว่าเป็นข้อฝึกถ้าอย่างเราถ้าไม่เจอบททดสอบยากๆอย่างนี้มันจะน้อมที่จะขันติมันจะมาจากไหนอะ เพราะขันติมันไม่ได้มีโอกาสเลยนะถ้าไม่เจอคนแบบนี้ไม่เจอสิ่งแวดล้อมแบบนี้ไม่เจอบุคคลใกล้ชิดแบบนี้และถามว่าเข้ามาด้วยบุญของเราสิใช่ไหมก็กรรมที่เป็นเหตุที่ทำให้เรามาเจอของคนค น, คนนี้ก็เธอทำมาเองไม่ใช่หรือใครทำให้เธอเธอเป็นผู้ทำเองแล้วเธอจะมาปฏิเสธ เหตุที่เธอทำมาทำไมก็ใช้ยานปัญญาใช้ความเพียรความกล้ากล้าในการที่จะรับมือแล้วก็ฝึกฝนพัฒนาตนเองให้ไปอยู่เหนือสิ่งนี้ให้ได้สิเข้าใจอย่างฉะนั้นกลับไปต้องไปกราบขอบคุณเขาใช่ไหมต้องไปขอบคุณเขาใช่ไหม ถ้าไม่เจอคนเนี่ยฉันคงไม่ได้ฝึกฉะนั้นเชิญคุณเต็มที่ <c oughs> งั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่จะต้องละให้ได้นี่บาปเก่าทุจริตเก่าอกุโสฬาคมเก่าสองบาปใหม่ทุจริตใหม่อกุศโกรรมใหม่ บาปใหม่ทุจริตใหม่กุศลกรรมใหม่ที่เราเห็นคนอื่นทําได้ฟังเรื่องราวที่เขาทําและเคยรับรู้มาว่าใครทําเคยอ่านมาเคยศึกษามาเช่นได้ข่าวคนนั้นฆ่าพ่อบังฆ่าแม่บ้างทําร้ายปูชนียสถานวัตถุบ้างพะาระอรหันบ้างทำลายพระพุทธเจ้าให้หอบพรโลหิตบ้างยังสังฆเพียรเป็นต้นบ้างหรือบาปทั้งหลายระเบิดเออเลยเนี่ยพอได้ยินข่าวปุ๊บให้สมาทานทุกครั้งว่า บาปใหม่ทุจริตใหม่อกุศลกรรมใหม่จกไม่ให้มาเกิดในกระแสะชีวิตของข้าพเจ้านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงซึ่งความพ้นทุกข์เนี่ยนี่ก็กตั้งอย่างนี้แข็งแรงไหมจะตั้งแบบเนี้ยอได้แล้วนะเนี่ยได้สองข้อแล้วพอหรื อ, อยังยังอีกต่อไปก็เพียรในการจเจริญกุศล กาว่าเพียรในการเจริญกุศลเนี่ยเมื่อเราเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรแต่ละเหตุการณ์สถานการณ์แต่ละวันเราต้องเกี่ยวข้องในการยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งทํากิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้ยเราจะเพียรในการที่จะเจริญทานศีลภาวนาเราจะให้ทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเกิดทุกกิจกรรมให้ติดต่อและต่อเนื่องจะไม่ให้เกิดเพียงแค่กิจกรรม แต่ให้กุศลมีทานศีลภาวนาเป็นตะ้นต้องเกิดให้ได้ถ้าเกิดไม่ได้จะมันย้อนทําใหม่ทําให้มันเกิดให้ได้เช่นเช่นไปกวาดบ้านเฮ้ยกวาดไปแล้วเครียดไปไม่เอาไม่เอายุดใหม่ตั้งหลักว่ากวาดให้ได้กุศล <c oughs> นั้นไปพูดกับแฟนพูดกับสามีพูดกับลูกอะไรก็แล้วแต่มันพูดไปบาปเกิดไม่เอาไม่เอ า, เอาตั้งหยักใหม่พูดให้กุศลเกิดเพียรทุกทํากิจกรรมทุกๆ ก, กิจกรรมให้กุศลเกิด ไม่ว่าทานไม่ว่าศีลไม่ว่าภาวนาทําให้เกิดขึ้นในติดต่อแล้วต่อเนื่องกิจกรรมไหนที่ทําแล้วกุศลไม่เกิดไปฝึกใหม่ไปฝึกใหม่เอาให้กุศลเกิดให้ได้วยมองหนะ้าเจ้าเนี้ยบาปเกิดทุกทีมองใหม่มองแล้วกุศลไม่เกิดมองใหม่ช่วยมาหน่อยที่มาตั้งหลักใหม่ที่ตั้งสติใช่ไหมมองได้ปิยะจากสุ๊ยมยังไม่ออกมันไปแต่ความคิดแต่กุศ ล, ลจิตมันไม่ไปก็ผลักดันให้มันออกเลยจริงๆ ทำพูดคิดให้มันเป็นทานให้เป็นสีนี่เป็นภาวนาอันไหนมันไม่ได้กิจกรรมไหนมันสอบตกก็ไปทําใหม่ทำใหม่ทำใหม่ทำใหม่ทำใหม่จนสามารถทํากุศลให้เกิดขึ้นได้ทุกๆ ก, ก, กิจกรรมติดต่อแล้วต่อเนื่องนี่ก็เรียกเพียรในการจเจริญกุศลเขาจยังไม่ใช่ไปแค่กิจกรรมแต่กุศลมันไม่ไปก็ฝึกใหม่ก็ต้องกุศลเกิดกุศลมันเป็นยังไงอะ่ะหนึ่งสภาพจิตที่ไม่มีโทษ จิตที่ไม่มีโรคจิตไม่มีของเสียจิตที่สะอาดเยือมอ่องผ่องแผ้วจิตที่ไม่มีมวลทินจิตที่เป็นใบกระสุกสมณะจิตที่เป็นใบกับความฉลาดจิตที่ไม่มีของเสียเขาไปเกลือกกล้วเลยจิตตั้งมั่นจิตสงบจิตผ่องใสจิตล่าเลิงจิตเบิกบานจิตเอิบอิ่มจากการได้ทําสิ่งที่ดีๆมันเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่ทําแค่กิจกรรมข้างนอกถ้าข้างนอกก็สดใสข้างในก็สะอาดสดชื่น ตรงนั้นมันเป็นอย่างนี้ไงตรงนั้นเนี่ยมันบ่งบอกให้เห็นว่าไปไปมามาเนี่ยเรามันเคยไงว่าทำอะไรต้องจริงจังแล้วมันต้องต้องแต่งท่าต้องเตะท่าต้องตั้งท่าอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นไม่ได้เป็นธรรมชาติของกุศลถ้าธรรมชาติของกุศล จ, จริงจริงมันจะสะอาดเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วมันจะโปร่งโล่งเบามีติก็จะเกิดแล้วมันจะได้ดุลยภาพ มันจะได้สมาตามันจะได้มัชฌิมามันได้สมดุลระบบหายใจเข้าหายใจออกในการกระทานั้นนั้นจิตเบิกบานหายใจเข้าจิตปร่งเบาหายใจออกในการกระทํากิจกรรมนั้นนั้น การตั้งใจเกินไม่เป็นไรแต่ว่าต้องทาให้เป็นธรรมชาติของกุศลวลากุศลเกิดขึ้นมาแล้วในกุศลเขาจะชาญฉลาดสภาพจิตที่แข็งแรงจะเกิดขึ้นสภาพจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดขึ้นสภาพจิตที่อ่อนโยนจะเกิดขึ้นสภาพจิตที่สงบความฟุ้งซ่านไม่เข้าสภาพจิตที่เบาความแข็งกระด้างของของของทิฏฐิมณะจะไม่เข้าไป สภาพจิตที่สุขสมนัทมันเกิดขึ้นสภาพจิตที่คล่องแคล่วจะเกิดขึ้นสภาพจิตที่เหมาะที่ควรจะเกิดขึ้นสภาพจิตที่ซื่อตรงจะเกิดขึ้นตําเนินไปตามทานศีลภาวนาได้อย่างคล่องแคล่วมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ใ <c oughs> ดอย่างทุกกิจกรรมให้เดินกุศลได้นี่ได้แล้วเพียงในการจเจริญกุศลเอาแล้วแต่เนี้ยสมมุติว่าได้แล้วทั้งๆ้งที่เรายังไม่ค่อยได้กันเนี้ย สมมุติพอพูดบางคนพูดอย่างนี้เข้าใจแล้วทําได้ทันทีนะบางคนทําได้ทันทีในขณะพระพูดเนี่ยบางคนปุ๊บพอพูดปั๊บอะสงสัยเราทําไม่ได้โอมันยากอันนี้ก็เรียกว่าอะไรดูหมิ่นตัวเองเห็นไหมการดูหมิ่นตัวเองนี่จบเลยนะท่านก็พูดไปอย่างนั้นแหละไม่รู้จะทําได้แบบดูหมิ่นผู้พูด เสร็จเลยเนี่ยเนี่ยหลักการฟังทำผิดเลยเพอฟังปับ๊บโอ้โหเกิด ค, ความเชื่อมั่นว่าท่านเอาพระธรรมของพระพุทธเจ้ามาบอกเราแล้ ว, ลวใช่หมหนึ่งทาของที่ยากให้ง่ายทําของที่ลึกให้ตื้นทําของที่ยาวให้มันสั้นใช่ไหมถ้าให้เราเข้าใจได้รวดเร็วและชัดเจนขึ้นโอ้โหขอบคุณมากเราได้แน่นอนเราจะต้องฝึกตัวเองได้แน่นอน <c oughs> ถ้ดงอ่างเงชัดไม่ดูหมิ่นผู้พูดไม่ดูหมิ่นเรื่องที่พูดไม่ดูหมิ่นตัวเองต้องหลักการอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งสติกำกับจับตรึงดึงข้อมูลเอามาให้ปัญญาสอบสวนไข่ควรแล้วก็พัฒนาตัวเองทันทีเลยในขณะนั้นหลักการบังทำมันต้องอย่างนี้ถ้าใครไปตั้งหลักฉันทำไม่ได้มันยากมันไม่ไหวอย่างเงี้ยจบเลยพวกนี้ไม่คู่ควรต่อการบรรลุธรรม ฟังโอ้โหมหัศ จ, จรรย์จริงจริงใช่ไหมฮะพระพุทธเจ้าหนะ้าอัศจรรย์จริงพระธรรมนะ้าอัศจรรย์จริงพระสงฆนะ์หน้าอัศจรรย์จริงเราจะต้องเข้าถึงความเป็นพุทธบริษัทของเป็นวาสกบาซิกาของพระาราชนตรัยให้ได้อย่างแน่นอนเราจะต้องได้เข้าเฝ้าได้ซบ แทบลอยฝ่าพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไปถวายรายงานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าพเจ้าก็เป็นหนึ่งในพุทธบริษัทของพระเจ้าขอพระเจ้าโปรดจํำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสิกาที่เข้าถึงพระัตตนาตรัยโอ้แต่ฟังพ่อไม่ชัดเลยเหมือนอะไรเนี่ยหายของที่คว่ำใช่ไหมของมันคว่ำเราเนี่ยคว่ำหน้าอยู่กับอะไรคว่ำหน้าอยู่ความไม่รู้คว่ำหน้าอยู่ความลังเลสงสยัยคว่ำหน้าอยู่กับบาป ความหน้าอยู่กับทิฏฐีความหน้าอยู่กับอกุศลแต่พระเจ้ามาจับเราหงายออกมาให้มาอยู่กับพระสัตธรรมให้มาอยู่กับศรัทธาให้มาอยู่กับศีลไม่ให้อยู่กับสุตตะให้อยู่กับจาค้าและปัญญาโอ้ยหพระเจ้าจับเราหงายมาแล้วจะคว่มไปอีกทำไมหงายของที่คว่มเปิดของที่ปิดเย้ไหมไอ้มิจฉาทิฏฐีเนี่ยไอ้มิจฉาทิฏฐีคือความเห็นผิดเนี่ย มันปิดเราไว้พระเจ้ามาเปิดใช่ไหมเปิดมิจฉาทิฏฐิออกเปิดความไม่รู้ความเข้าใจผิดออกทำให้เรารู้ให้เราเข้าใจถูกนี่ก็เปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางแต่ก่อนเราไปทั่วมั่วหมดเขาให้ไปอะไรก็ไปดูหมอต่อจะตามั่วไปทามาหมด ในทีน่นี้โอพระเจ้ามาบอกทางใช่ไหมแกคนหลงทางโอ้อต้องดําเนินไปตามศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาทานอริยมรรสโอ้โหนี่บอกทางแกคนหลงทางจุดประทีตในที่มืดแต่ก่อนมันมืดตอนนี้ประทีตสว่างขึ้นมาปัญญาสว่างเห็นโอ้โหที่ควรเดินไม่ควรเดินอะไรเป็นอันตรายอะไรเป็นหนามเป็นตะปูเป็นสัตว์เลือ้อยคานมีพิษไม่มีพิษเราจะเดินออกจาก สิ่งที่มันไม่สะอาดก็สู่ความสะอาดของที่มันมีภัยมีโทษออกจากสิ่งที่มีทข์เขายายอย่างเนี้ยถ้าอุปมาสี่ข้อเกิดขึ้นไปว่าเราชัดแล้วฟังธรรมมันต้องได้อย่างนี้มันต้องหงายของที่ความเปิดของที่ปิดบอกทางเกินคนหลงทางจุดประทิบในที่ถ้าอย่างนี้ก็พระพุทธเจ้าน้าอัศจรรย์พระธรรมน้าอัศจรรย์พระสงฆ์น่าอัศจรรย์จริงยังไงแล้ว ออท่านนาฬกา คือตอนนั้นท่านมาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าตอนที่พระพุทธเจ้าอยู่ที่ป่าอิสิปตนมเกระถิญญวันเป็นองค์ที่หกองค์ที่หกท่านทับจากก น, นัญญว่าป่าพัทธิยามาหานามอาอัศจริแล้วก็ท่านนาล ก, กะมาฟังธรรมฟังหนึ่งครั้งแล้วท่านก็รีบเข้าป่าไปแต่ท่านก็บอกว่าท่านไม่ต้องการรบกวนพุทธเจ้าม า, พามพ ก, การพระพุทธเจ้ามีภารกิจในการพระพุทธเจ้ามีภารกิจในการที่จะสอนคนอื่น ยะ yeah. ท่านบำเพ็ญบา ร, รมีมาเพื่อต้องการเจอพระพุทธเจ้าเพียงครั้งเดียวแล้วก็ฟังครั้งเดียวแค่นี้พอแล้วแล้วต่อไปท่านจะจําให้แม่นยําแล้วไปฝึกฝนพัฒนาตนเองให้ได้บรรลุแล้วท่านจะปฏิบัติแบบอุกฤษท่านปฏิบัติอยู่เจเดือนแล้วท่านก็เจวันท่านได้บรรลุแล้วท่านอยู่เจ็ดเดือนแล้วท่านก็นิพพานก่อนจะนิพพานท่านไม่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะกลัวพระพุทธเจ้าจะเสียเวลาต้อนรับจะได้ไปถอนคนอื่นคนอื่นจะต้องบรรลุอีกเยอะ ฉะนั้นตนเองก็หันหน้าไปทางพระพุทธเจ้าแล้วก็ยืนพิงหน้าผายืนปริณิพานถวายบังคมลาพระพุทธเจ้าตอนนั้น เนี่ยตอนนี้ท่านบําเพ็ญบารมีมาแสนกับท่านนแล้วกาท่านก็ต้องศึกษากับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาแล้วท่านอยากเป็นแบบนี้ก่อนหน้านั้นที่ท่านบําเพ็ญบารมีมาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเนี่ยท่านบําเพ็ญมาแบบนี้ท่านตั้งใจแบบนี้ถ้ามาเจอพระพุทธเจ้าองค์เนี้ยองค์ที่ท่านจะบรรลุเนี่ยท่านขอฟังแค่ครั้งเดียวพอท่านฝึกตัวเองให้ฉลาดให้มีศักยภาพท่านจะได้ไปรลุ ในภาษาศาสนาหนึ่งจะมีแค่องค์เดียว mm hmm. ใช่จะต้องมีอย่างนี้ทุกองค์ใช่นี่เขาเรียกระดับมหาสาวกแปดสิบรูปในจนํานวนแปดสิบรูปจะต้องมีคุณสมบัติแบบนี้พิเศษพิเศษแบบเนี้ยก็เลือกเอาเราอยากจะเป็นแบบไห น, นใช่ใช่มีคุณสมบัติพิเศษต่างกันใช่เขาเรียกเอตทัคคะ ใช่ใช่อย่างนี้เขาเรียกโมเนยะปฏิบัติปฏิบัติแบบอุกฤษไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแบบนี้ท่านต้องการท่านต้องการทําเป็นแบบอย่างเพื่อให้ประชุมชนภายหลัง ได้ศึกษาชาดกและประวัติของท่านแล้วตื่นเต้นแล้วจะได้ฝึกตนเองนี่เข้าใจนะนี้ทีนี้เนี่ยเขาเรียกเพียนติดต่อยังไม่จบต่อไปก็คือว่า เมื่อเราสามารถที่จะเพียรทํากิจกรรมแล้วสามารถทํากุศลให้เกิดขึ้นเชื่อมได้ทุกเรื่องติดต่อได้โดยไม่ขาดสายได้แล้วต่อไปก็สูงกว่านั้นก็คือเพียรในการที่จะรักษากุศลพัฒนากุศลให้เจริญไพบูญยิ่งยิ่งขึ้นไปจากกุศลขั้นธรรมดาก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยเรืืืสูงขึ้นเรื่อยเรื จากกามาวจรเป็นรูปาวจรอรูปาวจรเป็นโล ก, กุตระพัฒนาเลยจากไม่จากกุศลธรรมดาก็เพิ่มขึ้นไปศีลธรรมดาสมาธิธรรมดาปัญญาธรรมดาก็เพิ่มมาเป็นระดับกลางแล้วก็ระดับสูงสุดแล้วก็บรรลุนี่ก็เรียกเพียนรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูร์พิญโยภาพยิ่งยิ่งขึ้นไปจนสามารถประชุมในอริยมรรยาพจน์เนี่ยความเพียรต้องมาประชุมในนี้ ความเพียรจากบริบูรณ์ที่สมพรประธานสี่สี่อย่างเพียรละ บ, บาปเก่าทุจริตเก่าอากักษรกรรมเก่าเพียรละ บ, บาปใหม่ทุจริตใหม่อกักษรกรรมใหม่เพียรในการเจริญกุศลที่ติดต่อและต่อเนื่องเพียรพัฒนากุศลที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญไพบูร์พิญโยภาพยิ่งยิ่งขึ้นไปจนสามารถประชุมสูงสุดได้มีอย่างเนี่งั้นถ้าถามว่า ถามว่าเธอมีศรัทธาไหมก็วัดที่โสตาปริยังค่าธรรมเธอมีความเพียรไหมก็วัดที่สัมมประทานสีเธอมีสติไหมก็วัดที่สติประทานสีเอาละสิเนี้พอสติประธานสีแล้วยากอีกแล้วเ น, <c oughs> นี้นั <c> ่น <oughs> เอาทำยังไงอ่ะถ้ามีสติหรือไม่มีสติถ้าว่าตามหลักก็ กายเยกายานุป at ัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชานโนสติมาวินยญาโรเกวิชาโทมนาสังกวาไปใช่ไหมล่ะเวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชานโนสติมาวินยญาโรเกวิชาโทมนาสังจิตเตจิตตานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชานโนสติมาวินยญาโรเกวิชาโทมนาสังทำเมสุธรรมานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชานโนสติมาวินัยญโรเกวิชาโทมนาสังไม่รู้เรื่อง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 พิจารณาเห็นธรรมในธรรมมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสด็จได้สาปัจจัยหนึ่งความเพียรองค์คุณนืองค์นะงคุณของการจะพ้นทุกข์ของการจะพัฒนาหนึ่งมีความเพียรคือตัวความเ ก, กล้าอาถานพสองมีสัมปชัญญะคือเป็นชื่อของปัญญาความชาญฉลาดในการเจาะทะลุทะลวงได้สก็มีสติในการดึงการตรึงการจับสตินะี้สามลักนะดึง ตรื่องจับพูดง่ายๆหน่อยจะได้เขา้าใจดึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วเรื่องที่ผ่านมาแล้วดึงมาดึงเรื่องในอดีตมาดึงมาให้ใจได้รับรู้ปัญญาได้สอบสวนตรวจสอบเคยดึงไหมเคยดึงเรื่องอดีตไหมระลึกนั่นเอ ง, เอง น, นั่นแหละเขาเรียกดึง ก็คือระลึกดึงมายงมันผ่านไหมยังน่าแหละถ้าเราต้องการเรื่องนั้นไปอยู่ที่ไหนตอนนี้มันฝังอยู่ในใจนู่นน่ะก็ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาให้อยู่ในปัจจุบันนี้ให้ใจได้รับรู้ปัญญาได้สอบสวนเพราะมันเก็บไว้ในห่วงหาทถายรลึกน่เลยที่ผ่านมาทั้งหมดช่้ไหมละมันเป็นอดีตไปแล้วนี่ก็เลยดึงมา ดึงมาดึงไว้ทำไงดึงไว้เนี่ยในขณะที่กำลังฟังอยู่เนี่ยพอมันจะผ่านมาปุ๊บเรารีบดึงไว้ไม่ให้มันหลุดลอยไปไม่ให้ไม่ใหมันหลุดลอยไปดึงไว้หรือตรึงไว้หรือจับไว้อันเดียวกันนี่แหละในขณะที่พากพูดอย่างนี้ดึงไว้ไหมหรือว่าปล่อยลอยไปเลยดึงไว้ไหมดึงไว้ตรึงไว้จับไว้ เพื่อจะได้ประมวลให้เกิดความรู้ความเข้าใจจะให้ปัญญาสอบสวนวิจัยแยกแยะนี่เรื่อดึงไว้นี่ใช้สติกันไม่เป็นนี่ทีนี้คนที่เลอะเลือนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยดึงไว้อะไรผ่านมาก็ปล่อยมันไป อย่งเงีเครืองไม่ดึงไว้โอกาสบรรลุธรรมยากไอ้สิ่งดีๆควรดึงไว้ไหมดับกลับไม่ดึงไว้ไอ้สิ่งที่ไม่ดีกับกรดึงไว้เนี่ยมันเห็นไหมไม่เลือกไม่ฟันนี่ไม่เห็นไห ม, ไมดึงไว้ตรึงไว้จับไว้ไม่ให้เรื่องนั้นมันหลุดลอยไป เวลาเราจะเจริญกับมรรฐานใดๆก็แล้วแต่ใช่ไหมล่ะต้องจับไหมต้องตรึงไว้ไหมเออเนะี่ยใช้อะไรสติงไงใช้สติเป็นตัวดึงตัวตรึงตัวจับไว้ อ, อย่างนี้ว่าถ้าสมมติว่าเรื่องให้ทานที่เราให้มาแล้วศีลเรารักษาสิ่งดีๆเคยทำมาแล้วก็ดึงมาดึงเรื่องนั้นมาเอามาอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็มนาสิการให้เรื่องนั้นเด่นขึ้นชัดขึ้น ใ, ใจก็รับรู้ในสิ่งนั้นจิตสติก็จับตรึงดึงไว้สมาธิก็แนบชิดกับเรื่องนั้น เริ่มแนบชิดกันในเรื่องนั้นปัญญาก็สอบสวนได้ยางเคยไมเนี่ยนะเคยไปให้ทานเนี่ยเคยให้ทานเมือ่อตอนกลางวันเนี่ยให้ทานอะไรบ้างอะไรบ้างทำยังไงความรู้สึกในขณะทำเป็นยังไงสภาพจิตใจเป็นยังไงน้อมบูชาสงฆ์มีพระเดชาเป็นบมุกยังไงดึงวะดึงมาพอดึงมาก็ให้ จิตได้รับรู้ใปัจจุบันนี้เพราะเรื่องมันผ่านไปแล้วนี่ดึงมาเมื่อจิตได้รับรู้ในเ ร, เรื่องนั้นเรื่องนั้นเด่นขึ้นหรือยังสติตึงดึงจับเด่นแล้วพอเด่นขึ้นมาปุ๊บสมาธิก็ตั้งมั่นในเรื่องนั้นเลยแล้วก็ให้เด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นสติก็ยังไม่ปล่อยยังจับไว้สมาธิก็แนบชิดแนบชิดแนบชิดแนจนเป็นอารมณ์ที่คุ้นเคย จนในที่สุดจริงๆสมาธิแนบชิดกับเรื่องนั้นแล้วสติก็ไม่ต้องแข็งไม่ต้องตึงแล้วเดีนี้สมาธิจับอยู่แล้วสติก็ไปอยู่เบื้องหลังได้ไม่ต้องออกหน้าถ้ามันจะเลือมอีกสติต้องมาดึงอีกแล้วมาจับไว้อีกแล้วเคยทําแบบนี้ไหมเอออ น, นี่แหละเขาเรียกจเจริญสมาธ<笑><笑><笑><笑>ิยากไหม มันทำให้เป็นมันเลยยากไงใช่เรื่องมันไม่ได้ยากแต่เราไปทำให้มันยากทีนี้เอาพอได้สมาธิแนบชิดในเรื่องนั้นแล้วเนี่ยเด่นในเรื่องนั้นชัดในเรื่องนั้นผ่องใสในเรื่องนั้นจนอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์หนึ่งเดียวเป็นเอกะขะตาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเสถียรไม่วกแวกแล้วก็ใสสะอาดมองเห็นอะไรได้ชัด ปัญญาทำกิจได้ยังโอยปัญญาไปสอบสวนวิจัยแยกแยะเห็นทุกอย่างมองเห็นอะไรก็ชัดมีความเพียรนีอยังเพียรประคองเพียรประคองสติก็จับปัญญาก็สอบสวนมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติอภิชาคือความยินดีก็ไม่ไหลเข้าสู่จิตทมณัตคือความยินร้ายก็ไม่ไหลเข้าสู่จิตปฏิบัติได้ยัง เป็นสติปัฏฐานนี่ยังเป็นแล้วเห็นไหมเนี่ยแค่ดึงทานกุศลมามันก็เป็นสติปัฏฐานได้ดึงศีลกุศลมาก็เป็นสติปัฏฐานได้ดึงคุณของพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นโอ้อีกเยอะแยะหมดเพราะจะชัดไหมเออเขาเขาไม่ให้ตั้งไว้อย่างนั้นเขาให้ฟังไว้จนกว่าจะเข้าใจ ถ้ามันถ้ามันไม่เข้าใจก็ฟังอยู่นั่นเละมันยังไม่ชัดก็ก็ฟังเข้าใจอย่งไม่ใช่ว่าจะตั้งไว้ห้ารอบสิบรอบยี่สิบรอบมันจะฟังเวลล้านรอบก็ไม่เป็นไรคอยมันเข้าใจใ น, น, น, นั่ <laughs> นคุยกับท่านนายเอง <laughs> เรื่องของท่านนายไม่ใช่เรื่องของพระเห็น <laughs> <laughs> ไหมเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าฝึกทุกเรื่องนะ มีเห็นไหมว่าสติปัฏฐานเนี่ยมันใช้ได้ทุกเรื่องอุปกรณ์เรื่องราวต่างๆสามารถที่จะเป็นอุปกรณ์ในการที่จะฝึกความเพียรฝึกสติฝึกปัญญาได้หมดเลยทั้งภายในและภายนอกทั้งหยาบละเอียดเร็วประณีตไกลและใกล้ถ้าฉลาดเป็นทุกอย่างมองไปที่ไหนคิดในเรื่องอะไรเป็นอา ร, รมานปัจจัยแก่การเจริญความเพียรสติและปัญญาได้หมดเป็นอุปกรณ์แก่การเจริญสติปัฏฐานได้หมดเลยนี่เป็นอย่างงี้ จะเป็นหรือเปล่าถ้าไม่เป็นก็ยังไม่ได้ใช่ไหมเนเป็นเป็นไปในลักษณะนี้ฉันกรณีที่บอกว่าถ้าพูดตามหลักการเนี่ยมีความเพียรมีสัมภชัญญามีสติกําจัดอภิชาและโทมนัทในโลกใช่ไหมแต่หลักการจริงๆก็คือว่าเอาละสิในขณะที่เราลึกถึงทานกุศลที่เราทำทีนี้การระลึกถึงทานกุศลมวคลก็ไม่รู้จะระลึกอะไร มันระลึกได้ทั้งสองส่วนหนึ่งระลึกถึงรูปขันของเรากระแสะชีวิตของเราที่ไปยืนเดินนั่งนอนในการจับในการหยิบในการทํากิจกรรมทั้งหลายก็ระลึกได้ 2. อ, อุปกรณ์คือข้าวก็ได้อาหารก็ได้ผลไม้ก็ได้เสื้อผ้าก็ได้สิ่งของก็ได้วัตถุชิ้นทุกอย่างที่เราจัดเตรียมถวายก็ได้ 3. าระลึกถึงสภาพจิตใจของเราในขณะที่เราได้คิดจะสละคิดจะให้คิดจะแบ่งปัน แล้วลึกถึงสภาพศรัธทธาที่เกิดขึ้นความเพียรที่เกิดขึ้นสติที่เกิดขึ้นความตั้งมั่นแห่งจิตที่เกิดขึ้นปัญญารู้และเข้าใจที่เกิดขึ้นเห็นไห้เราลึกได้ทั้งตัวกระแสชีวิตทั้งอุปกรณ์ทั้งหลายเป็นวัตถุทั้งตลอดถึงกระบวนการความคิดสามารถคิดได้ทั้งหมดดึงเรื่องราวดึงความคิดมาไว้ให้จิตรับรู้ก็ได้ดึงกระแสชีวิตในขณะที่ทําให้จิตรับรู้ก็ได้ดึงอุปกรณ์ที่เราเอาไปทําวัตถุสิ่งของทั้งหมดเอาาให้จิตรับรู้เก็บรายละเอียดได้เท่าไหร่เป็นเรื่องที่ดี สติก็ไปดึงมาแล้วก็มาตรึงจับไว้ให้จิตได้รับรู้ในขณะที่ดึงเรื่องราวในอดีตมาให้อยู่ปัจจุบันเพราะเรื่องนั้นมันผ่านไปแล้วนี่ก็ดึงกลับมาให้อยู่ในปัจจุบันเพราะอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็ตรึงจับไว้พอสติจับในเรื่องนั้นไว้สมาธิตั้งไหมสมาธิก็เริ่มตั้งในสิ่งนั้นความเพียรก็ประคองประคองประคองสติอย่าให้หลุดคอยส่งเสริมเพราสติจะออกก็ดันไว้ ประคองไว้ประคองไว้นักเข้านักเข้าพอสติจับเรื่องอะไรมากขึ้นมากขึ้นใส่ใจในเรื่องอะไรมากขึ้นและลึกเรื่องอะไรมากขึ้นตรึงเรื่องอะไรมากขึ้นสมาธิก็เริ่มแนบชิดชิดชิดเรื่องนั้นก็เด่นขึ้นไหมเด่นขึ้นเด่นขึ้นกระแสชีวิตเด่นขึ้นแม้กระแสความคิดก็เด่นขึ้นแม้อุปกรณ์ที่เราถวายทานเป็นต้นก็เด่นขึ้นเด่นขึ้นชัดหมดเลยเนพอชัดแล้วอย่างนี้แปลว่าสมาธิเริ่มทํากิจแล้ว เริ่มเด่นแล้วเริ่มเริ่มจับแล้วเริ่มเป็นเอกคาตาแล้วความตั้งมั่นของจิตมาแล้วอา้าวทาจนประสบความสำเจิตเริ่มตั้งมั่นจิตเริ่มใสสะอาดไม่หวั่นไหวจิตเริ่มอ่อนไม่ต้องไม่ต้องผลักไม่ time, ต้องดันแล้วมันรู้สึกว่ามันคุ้นเคยกับลมนั้นแล้วรู้สึกมันโอ้โหเนี่ยไม่ต้องเก่งไม่ต้องอะไรมันเป็นธรรมชาติแล้วตั้งมั่นชัด เอาอะไีพอเริ่มจะตั้งมั่นชัดแล้วชนิดที่สติเริ่มปล่อยได้สมาธิเริ่มแนบชิดสมาธิออกมาเด่นข้างหน้าสติอยู่เบื้องหลังความเพียรอยู่เบื้องหลังปัญญามาทำกิจต่อปัญญาได้ฐานได้ที่มั่นแล้ววิจัยทานกนุศลด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจโอ้โหถึงวิจัยให้ด้วยศรัทธาเป็นอย่างนี้นให้ด้วย ความนอบน้อมเป็นอย่างนี้นาะให้ถูกการเป็นอย่างนี้นะให้สละขาดเป็นอย่างนี้นะให้โดยไม่กระทบตนและบุคคลอื่นก่อนให้ก็ดีใจขณะให้ก็เลื่อมใสให้แล้วก็เพื่มใจโอ้โหเข้าใจชัดมาหว่าได้ยังเริ่มได้แล้วมีความเพียรมีสำมัญญามีสติตอนนั้นอภิชาความยินดีเข้าไหมไม่เข้าไม่เข้ากลุ่มรวมกิตความยินร้ายคือความความโกรธก็ไม่เข้าจิตสะอาดผ่องใสเอี่ยมอ่องผ่องแผ้ว นี่กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลก <c oughs> ในกระแสะชีวิตได้ระดับหนึ่ง <c oughs> นี่นี่เป็นอะไรเนี่ยเคราะขานุสติเป็นสติปัฏฐานข้อไหนทำมานุปสนาสติปัฏฐาน นเนี่ยเนยตรงนี้จะเขียนเก่งอามาเขียนไม่เก่งอามาจะเขียนไม่ไม่ไม่เก่งก็อามาลําดับเรื่องได้เดี๋ยวผมก็ไปเขียนต่อเองตรงนี้ก็ให้เข้าใจนะ <c oughs> เห็นว่าเนี่ยอ้าวสมมติเราลึกถึงศีลเราลึกถึงศีลใช่ไหม ศีลมันคืออะไรศีลเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมศีลเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมนะยังเถียงกันไม่ลงเลยเนี่ยตกลงจะเอาไงเนี่ยศีลเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมใช่ไหมเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมเมื่อกี้บอกนามบอกรูปเลยไปทั่วเลยเนี่ย อ๋อนเปน็นรูปรธรรมใช่ไหมอ๋ออ๋อเป็นรูปรธรรมแล้วเป็นอะไรตกลงเป็นอะไรเป็ น, นรูปรธรรมสรบแล้วผิดศีลเป็นนามธรรมเจตนาศีลเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม ความจงใจและตั้งใจในการที่จะงงดเว้นจากการฆ่าเป็นต้นเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมาเป็นนามธรรมาเนาะเจตสิกศีลเจ ต, ต, ตนามธรรมก็คือความไม่โลภความไม่โกรธแล้วก็ปัญญาที่งดเว้นจากการฆ่าการลักเป็นต้นวิรติสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาชีวะเป็นนามธรรมาหรือเป็นรูปธรรม <laughs> สัมมาวาจาก็คือการงดเว้นจาก วัจีทุตริตีเอสภาวะที่งดเว้นจิตที่คิดจะ ง, งดเว้นเป็นนามาธรรมไม่เป็นรูปธรรมเออเป็นนามาธรรมแต่มันเชื่อมโยงกับรูปธรรมก็จริงอยู่เจตสิกศีคือเจตจำนงความจงใจและตั้งใจในการที่จะไม่ฆ่าเมื่อมีความจำนงความจงใจอ ย, อย่างนั้นขึ้นมาปุ๊บก็เลยเป็นเหตุแห่งการละจากการฆ่า ละจากการไปประทุษ ร, ร้ายสัตว์เบียดเบีย น, ยนสัตว์เจ็ดจนงในการที่จะงดเว้นจากการลักการประพฤติผิดในการเป็นต้นเห็นไหมมันมาจากความงดเว้นมันมาจากความจงใจและตั้งใจกลุ่มจิตที่เป็นกลุ่มนามมารมทั้งหลายมารักษากระแสของรูปธรรมไม่ให้ละเมิดไม่ให้ร่วงออกมาลักษณะอย่างเงี้ยตัวนามธรรมานี่แหละเป็นตัวศีลหรือตัวเจ็ดจนงเขาให้ยังเล่าเจ็ดจำ侬ที่งดเว้นจากการ พูดเท็จส่อเสียดคำหยาบและเพื่อเจอือเวรจตนาอากุศลที่เป็นเหตุแห่งการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาเพื่อเจอือมันถูกตัดรอนด้วยเจตนาแห่งการละการพูดเท็จมันทําลายใช่ไหมทำลายสภาพใจหรือสภาพความรู้สึกที่อยากจะพูดเท็จส่อเสียดคำหยาเพื่อเจอือมันถูกทําลายลงไปได้ด้วยเจตจํานงด้วยความจงใจและตั้งใจและด้วยสังวรระวังหรือสภาวะธรรมที่เข้าเป็นละได้จริงๆเหล่าเนี้ มันกลุ่มนา ม, มาทำนี่แหละเป็นตัวเป็นตัดรรอนหรือเจตจานงจงใจตั้งใจในการที่จะดําเนินชีวิตให้ถูกต้องดีงามไม่ดําเนินกระแสะชีวิตในการเลี้ยงชีพด้วยกายาทุจริตหรือวจีทุจริตลา บ, บาปอักษรกรรมบรรทุ่รายได้ในการดําเนินชีวิตอย่างนี้เป็นต้นสรุปแล้วก็คือนั่นแหละไอ้ตัวนา ม, มารมเหล่านั้นที่มาคอยกํากับให้กระแสะชีวิตหรือรูปธรรม ท, ทั้งหลายให้ดําเนินไปได้ถูกต้องดีงาม แล้วก็เรียบร้อยดีงามให้เป็นไปตามตามวินยัยตามขนบคเนียมวัฒนธรรมประเพณีตามแบบอย่างของอริยชนเป็นต้นได้อันนี้ก็เรียกว่าศีลทีนี้ทีนี้พอพอเข้าใจอย่างนี้เบีเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเมื่อระลึก เดี๋ยวไมที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าถ้าเอาเราไปไม่ต้องอะไรเนี่ยเอาเรามาขังไว้เงี้ยปิดประตูไว้แล้วให้อยู่อย่างเงี้ยแล้วไม่มีโอกาสเข้าไปฆ่าใครไปลากก้องใครไปเพื่อผิดในกาไม่มีโอกาสไปพูดอะไรกับใครเลยเทศจดเสียดคาหยาเพื่อเจอไม่มีโอกาสไปดําเนินชีวิตผิดเลยมีศีลไหมอันนี้มันศีลแบบขังนกขังแมว ถ้งั้นเอาคนไปขังคุกเอาคนไปขังคุกพวกติดคุกก็มีศีลก็เปน็นแถวไปแนวสิเข้าใจมหมไหมเอาเด็กนักเรียนไปขังเขา้าไว้มันไม่มีโอกาสไปทําชั่วนะเอาถ้าหงทหารไปอยู่ในกรมกองเนี่ยโอ้มันดีหมดเลยเป็นศีลหมดเลยไม่ใช่ไหมเนะี่ยที่จริงมันไม่เป็นหรอกเพราะอะไรเพราะศีลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ด้วยความรู้หรือไม่รู้มันเข้าใจหรือไม่เข้าใจ มันต้องมีเจตนางดเว้นหรือไม่มีเจตนางดเว้นและจะนี้ถูกขังไว้มีเจตนางดเว้นโอ้แต่กาต้องตั้งต้นด้วยความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีเห็นเหตุเห็นผลเข้าใจอย่างชัดเจนอย่างท่องแท้ก็อย่างนี้เป็นรูกประธรรมไงรูปธรรมมันไม่ใช่ศีลไงที่จะพยายามพูดให้ฟังเนี่ย รูปธรรมเป็นศีลที่ไหนโอ้โหทั้งนั้นเนี่ยพานั่งอยู่นิ่งๆกันึกว่ามีศีลเนี่ยในใจโกรธปึ๊บปึ๊บปึ๊บอยู่ไม่มีศีลได้ไงเนี่ยใช่ไหมล่ะอาจจะราคาญยอมอะไรจะเก่ากันนาคีใช่ไหมล่ะศีจจะ ล, เ, ลเป็นกุศลหรืออกุศลล่ะเป็นกุศลเป็นสภาพจิตใจที่ผ่องแผ้วหรือไม่ผ่องแผ้วถ้าจิตคุณมวนเป็นศีลที่ไหนแล้วใช่ไหมนั่งโกรธกัดปันกดัดกรอดอยู่ไม่เป็นหรอก เขาใจยังต้องมานั่งเรียนกันใหม่หมดทุกพวกเรานี่แหมนึกว่าไปถึงไหนกันแล้วนี่อันนี้ที่จริงระบบนี้เขาไปสอนเด็กอนุบานลนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> อย่าไปบอกใครไม่มีใครรู้ในนี้เป็นความลับ <c oughs> <c oughs> แล้วเขไปบอกท่านเอกไว้ให้สินบนท่านไว้อย่าไปบอกใครนะุย้ยโยมไม่เข้าใจเ <laughs> รืออรนะ่องศีลเนี่ยเห็นไหมว่าศีลยังไม่รู้แต่อยากพ้นทุกข์อยากจะไปนั่งกรรมาฐา น, นซึ่งมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้นี่คือความจริงนะ <laughs> อันนี้มันเป็นเรื่องความเข้าใจทังมันมันก็ยากนะ เพราะว่าเราจะต้องเป็นเรื่องถ้าพูดอย่างนี้เริ่มเข้าใจแล้วอันนี้เริ่มจะเดินศีลได้ก็เราจะเอาศีลไปบูชาพระเจ้า เราจะทำไงใช่ไหมล่ะศีลมันไม่ใช่แค่รูปแบบไงมันเป็นเกิดจากความรู้ความเข้าใจที่เรียกว่าอริยกันตศีลศีลที่พระอริยบุคคลชื่นชมและรักใครอย่างนี้นะศีลที่ไม่มีตัณหาและทิฏฐิเข้ามาฉับสวยหรือจับต้องเป็นศีลที่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ มันเป็นเจตนาที่งดงามเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์แล้วมันเกิดจากปัญญาที่รู้และเข้าใจในการที่จะดนเนินชีวิตไปด้วยความเรียบร้อยดีงามถูกต้องดีงามเพื่อจุดหมายคือการพ้นจากกิเลสและกองทุกข์อย่างแท้จริงชัดหไหมเงี้ยก็อันนี้ไงนี่ก็พูดอยู่ในขวายังสี่ห้านี่แหละ ใช่ไหมเจตนาศีลก็คือต้องงดเว้นใช่ไหมศีลเนี่ยมันไม่ใช่ข้อห้ามนะมันเป็นข้อฝึกเป็นข้อฝึก <c oughs> เราไปมองเป็นข้อห้ามมันอึนอดอัด <c oughs> ที่จริงเป็นข้อฝึกศีลเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันให้กันได้ที่ไหนล่ะฉันโยนอยเอายอมเอาศีลไปอย่างเงี้ยไม่ได้ไไดใช่ไหมล่ะพ้าให้ศีลได้ไหมไ ม, ไ, ไม่ได้ได้ไงท่องกันเถอ พ้าให้ศีลได้ไหมศีลนี่ขอกันได้ไหมยอมขอศีลพระก็ะบอกสิกขาบท ถ้าบอกว่ายอมศีลมันขอกันไม่ได้ที่พระท่านพูดอึง้งพูดภาษาบาลีอ้าวยอมอยากจะได้ศีลเนี่ยอาตมาจะบอกบอกข้อเอาไปฝึกเอาไปปฏิบัติเพื่อให้ศีลเกิดขึ้นเองนะเพราะอาจมาให้โยมไม่ได้หรอกยอมต้องไปฝึกเองไปปฏิบัติเองไปทําให้มันเกิดให้มีขึ้นเองนะพระก็พูดคํานี้แหละ พระก็เลยบอกว่าปานาติปาตาเวลัมณีสิกขาประธานสมาธิยามิไอสิกขาประธานเนี่ยสิกขาบทถ้นแปลว่ายอมมาไปฝึกนะให้เป็นคุณสมบัติให้เป็นเนื้อเป็นตัวให้เกิดขึ้นเป็นศีลจริงๆยอมไปฝึกกันเองพระบอกได้พระแนะนําได้แต่พระให้ไม่ได้จะควักเอาศีลอยมาโยนเป็นก้อนย้อนคว้างไปไหนมันได้ที่ไหนแล้ว ถ้าพูดเรื่องพอรก็ไปอีกยาวเดี๋ยวนี้เอาแค่ศีนก่อนพอแล้วไม่ต้องไปล่าอาดีตเยอะ เวลาที่เหลือมันน้อยเดี๋ยวมันจะไม่ทันต่อการไฟมันก็ไม่ศรีรษะอยู่ชลาภัยพญาที่ภัยมณฑ น, อ น, านาภัยมันก็เบียดเบียนอยู่จะมอมรัวชักโอ้โหแต่ก่อนแม่ทำไมไม่มีใครสอนเรามันนั่งเพอ้อความหลังหัวเราห้อยถึงอดีตเพอ้อหาอนาคตงอนแงนคอนแคนในปัจจุบันผิดอี ก, <พ>อกหลักการเนี่ยโอทําไมน้องเมื่อก่อนเราไม่เจอพระบางทีเลย โอ้โหทำไมเราเจอใครก็ไม่รู้พา้าคนนั้นก็ไม่บอกเราคนนั้นก็ไม่บอกเขาโยนความผิดไปให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องก็ตายกันหมดแล้ว <c oughs> พอเผอโยนความผิดไปให้พาย อ, อีก <c oughs> <c oughs> นี่ไง ห, หวนราห้อยถึงอดีตเพ้อหาอนาคตเดี๋ยวเราคงดีขึ้นมัง้งเดี๋ยวคงดีขึ้นมัง้ง <c oughs> แล้วก็งอนแงนคลอนแคนในปัจจุบันเลยทิ้งเหตุที่จะควรจะเอาประโยชน์ในปัจจุบันซะอีกตกลงเราจะพังต่อไหมเนี่ย โ้องบากอย่างชีวิตนี้แล้วทันไหมเนี่ย <c oughs> คือนี่ไงว่าศีลเนี่ยเห็นไหมมันเป็นเจตจำนงเป็นความจงใจเป็นความตั้งใจที่จะทำให้มีให้เกิดขึ้นทีนี้ พอเจตนาปุ๊บถ้าไม่เจาะรายละเอียดที่ให้ศีลเกิดไม่ได้อีกอถามว่าจะให้ความเจ็ดจำงจงใจตั้งใจที่จะให้กุศลศีลที่งดเว้นจากการฆ่าเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงเอาเถอะสิตรงนี้มันต้องไล่แล้วไม่ใช่อยู่ๆแค่เออเดี๋ยวล้วก็คิดดีๆเดี๋ยวมันมาเองมันไม่ใช่เลยทั้งหมดเหล่านี้มันต้องมีความจงใจตั้งใจที่จะให้เกิดขึ้นเช่นเช่นจะทํากุศลศีล ในการงดเว้นจาการค่าให้เกิดก็ตั้งเจต จ, จํำนงจงใจว่านับตั้งแต่ขณะนี้เป็นต้นไปจะไม่ให้กระแสชีวิตเนี้ยไปจะไม่ไปทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงจะไม่ไปเบียดเบียนสัตว์ไปรังแกสัตว์ทําให้สัตว์ทั้งหลายได้ได้ความทุกข์จะยังใจทั้งตนเองให้เป็นไปกับความลากักความปรารถนาดีความเมตตายังกรุณาจิตให้เกิดขึ้น ให้กับตนเองและบุคคลอื่นตั้งแต่ขนาดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงซึ่งความพนทุกข์จะเดินตามรอยของพงระละหันบูชาคุณของพระเจ้าด้วยกุศลรศีลข้อนี้นอ้องจิงงี้ชัดไหมอย่างงี้เกิดไหมเนี่ยโอ้โหแต่เนี้ยก็มีเจตจำนงมีความจงใจมีการุณาจิตเกิดขึ้น เห็นกระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยรักสุขเกียรติทุกเราก็รักสุขเกียรติทุกไม่ควรจะเบียดเบียนกันไม่ควรจะประทุษร้ายกันโอ้ยขอให้เขามีอายุยืนขอให้เขามีความสุขขอให้เขามีกระแสชีวิตที่ยืนยาวพ้นจากโรคภัยแค่เจ็บขอให้เขาปราศจากความทุกข์ขอให้เขาพ้นทุกข์โดยเร็วเนาหมายยังกุศลศีลข้อแรกหมายยังมาแล้วมาเยอะอย่างแต่เนี้ยมานาศิกานมากเท่าไหร่โอ้โหใจฟ่องใสไหมเบิกบานสดชื่นไหม อีนีลักษณะเงี้ยเห็นไหมเนี่ยกุศลศีลเกิดทรัพย์สมบัติของท่านผู้ใดก็ขอจงเป็นของท่านผู้นั้นเราจะไม่นําพากระแสชีวิตนี้ไปเบียดบงังไปช่อโกงไปรักทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของตนเองด้วยการเห็นขโมยเลยเราจะทํากุศลศีลเหล่านี้ให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดเดินตามรอยของพระอรหันต์บูชาคุณของพระพุทธเจ้า ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีทรัพย์มากด้วยทรัพย์สมบูรณ์ในทรัพย์ดําดเนินกระแสชีวิตจนขึงจนกว่าจะถึงซึ่งความพ้นจากกิเลสและกองทุกข์เราจะไม่น้อมเบียดเบียนทรัพย์ของใครอีกแล้วนับตั้งแต่ขณะ น, นี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงซึ่งความพ้นทุกข์เป็นหรือยังได้เคยเป็นแบบนี้บ้างไหมศีลนะ <laughs> บุตรของใครภรรยาของใครสามีของใครเพื่อนของใครจงเป็นของคนนะ ขอใเขามีความสุขกับครอบครัวกับญาติเมตรกับบุตรกับภรรยากับสามีจะไม่น้อมจะไม่พลาดนำสิ่งของบุคคลเหล่านั้นมาเป็นของตนเองเราจะทำกุศลศีลในการถือข้อการเมสุมิฉาจาร์งดเว้นจากการเกี่ยวข้องกับบุตรภรรยาสามีกับบุคคลอื่นจะทำกระแสชีวิตให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจด บางคนก็บอกถือพรมจรก็จะถือกระแสชีวิตพรมจร์เหมือนพระหลานตาเจ้าทั้งหลายที่ดำเนินชีวิตด้วยความสะอาดบริสุทธิ์บริจุทธินี้เราก็จะบูชากุศลศีลนี้บูชาเดินตามรอยพระอหลานบูชาคุณหลงพ่อพระเจ้าขอให้สัตว์ทั้งหลายจมเป็นผู้บริบูรณ์สมัครสมานสามัคคีในครอบครัวเป็นต้นเป็นนี่ยงนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะยังวจีกรรมของเราให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจด ไม่กล่าวเท็จกล่าวคำจริงกล่าวคำที่เป็นประโยชน์กล่าวถูกการกล่าวด้วยเมตตาสอเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อจะไม่ให้ไหลมาสู่กระแสชีวิตนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะยังกุศลศีลทางวจีกรรมให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดจนกว่าจะถึงถึงความพ้นจากกิเลสและกองทุกนนบูชาคุณกระุเาชัดเจนท่งแล้วก็ เราจะไม่ยังของมืนเมาใส่ในกระแสะชีวิตเป็นเหตุให้คนอื่นต้องหวาดระแวงในตนเราจะทําสัมปชันสติสัสมปชัญญะให้บริบูรณ์ให้เจริญให้ไปบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อจะได้เป็นปัจจัยในการลองรับกุศลธรรมทั้งหลายใช้สติสมัมปชัญญะไปดึงกุศลมาไว้ในตนดึงทานบรารมีศีลบรารมีเนกขมา่าจนถึงเบขาบรารมีของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามาประชุมไว้ในตนจะทําตนให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดทําสติสมัมปชัญญะให้แข็งแรงให้ตั้งมั่นยิ่งยิ่งขึ้นไป จนกว่าจะถึงซึ่งความพ้นจากกิเลสและกองทุกข์เราจะทํากุศลศีลคือศีลห้าให้เจริญให้บริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตให้อย่างเรียบร้อยดีงามดําเนินไปตามมรรคาของพระเ จ, าจา้าเจ้าเป็นอริยการศีลเป็นศีลที่ปริยะบุคคลชื่นชมรักใครจนกว่าจะถึงตึ่งการพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ อ, าอ่านี้ชัดไหม พูดเรื่องอะไรก็เพ้อเจอมันก็ไม่เป็นลายกรรมเพ้อเจอมันก็มีผลของมันอยู่แล้วอากรรเพ้อเจอจะทำให้เกิดเป็นอะไรถ้ามันให้ผลในปัจจุบันจะเป็นยังไงอ่ะไม่ เป็นคนพูดคนเดียวเ็าเห็นคนพูดคนเดียวไหมนั่นแหละอนาคตก็ต้องเป็นแบบนั้นก็พูดคนเดียวทั้งก็เาเห็นไหมนี่กรรมเพ้อเจอจะเป็นแบบนี้ถ้าเราว่าไม่เป็นรายนี่เดี๋ยวเราก็พูดคนเดียวได้ก็ทำไปเพราะมีผลรองรับอยู่แล้วใช่ไหมล่ะนี่ผลแบบง่ายๆที่เราเห็นเห็นเราจะเห็นคนบางคนนั่งคนเดียวแล้วก็พูดอ๋อนี่กรรมเพ้อเจอน้อง แต่ถ้าถ้าเราพูดสนุกสนานแล้วมีสติสัมปชัญญะเนี่ยให้ประชุมลงในคำสอนจะไม่เป็นเพื่อเจอ้ทุกครั้งเราอาจจะพูดสนุกสนานบ้างแต่ในขณะเดียวกันก็ประชุมลงในคำสอนประชุมในคาสอนพระเจ้าเอางั้นใช้ไม่ได้ <laughs> อย่างนั้นอย่างนั้นก็เรียกว่ากล่าวพระพธรรมผิด ประชุมลงในอริยสัตว์อย่างยกตัวอย่างเช่นเราไปเห็นนกแล้วบอกโ ห, หน่ารักและเกินแรงต่างสมมตินเนีน่ยดูที่มันทําดูมันดูมั น, ด, มนดูมันบินดูมันจิกดูมันเล่นกันอะไรต่า ง, างๆก็ชี้ไปโอ้อาบายาสัตว์เห็นไหมว่าเห็นไหมว่าการรมจากการเพ้อเจอ้อเวลาไปเกิดเป็นนกมันร้องทั้งวันเลยนะนเห็นไหมทุกขสัตย์ใช่ไหมเนี่ยมันเป็นทุกข ต้องเจ็บปวดในสังสารวัตมันไม่คุ้มเลยเนาะเพเจอร์นี่อะไรเงี้ยสมมุติอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรมันไม่ใช่ทางโลกหรือทางธรรมมันก็ไม่ต่างกันเราอย่าไปแยกเพอเจอร์ก็คือเพอเจอร์ เพ่เจอก็คือเพ่เจ้าแต่ในขณะเดียวกันเมื่อพูดคําเหล่านี้ออกไปแล้วเนี่ยก็ให้ลงมาพูดเรื่องสีเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องว่าเออเนี่ยเราจะดําเนินชีวิตยังไงเพื่อจะอะไรเงี้ยให้ลงในธรรมะมันจะได้เป็นการสรุปลงธรรมะคาพูดคำพูดทุกอย่างถ้าพูดไปแล้วถ้าไม่ลงในเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไม่เป็นสัมมา ว, า จ, า ว, ามาวาจามันคืออะไร เจตนาที่งดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดส่อเสียดคำหยาบแล้วเพื่อเจอือเราต้องการชำระวจีกรรมของเราให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดไหมเราต้องการจะพ้นจากกองทุกไหมถ้าเราพูดอย่างนั้นมันเป็นสัมมาวาจามั้ยล่ะไม่เป็นก็คือมิจฉาวาจานะมันไม่เป็นครึ่งกลางๆหรอกใช่ั้มก็แค่ไม่เป็นสัมมาวาจาก็เป็นมิจฉาวาจาทีนี้มันมีอย่างนี้นะว่า คำพูดบางคำเหมือนดีแต่มันเป็นมิจฉาวาจาก็ได้เช่นคำพูดของนักร้องใช่ไหมนักแสดงเนี่ยบอกว่ า, าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องขอกราบงามๆแทบตักของท่านทั้งหลายทั้งทั้งมันไม่ได้คิดอย่างนั้ น, น, ม, นมันพูดเพื่อจังการอยากจะอยากจะได้เงินอยากจะได้ทรัพย์ อยากจะได้ผลประโยชน์ใช่ไมั้ะมันก็ไม่เรียกว่าสัมมาวจาเิยถ้าสัมมาวจาจริงๆมันต้องการมันพูดไงก็ต้องการพูดในคำที่เป็นคำจริงคำที่เป็นประโยชน์พูดถูกกาลและพูดด้วยเมตตาไอ้ที่ก็พูดโอโลมปฏิโลมั้งมันพูดด้วยราคะพูดด้วยตัณหามันไม่ได้พูดด้วยเมตตาถ้าพูดด้วยเมตตาก็พูดด้วยความรักดยความปรารถนาดี ก็ในสมัยข้างพุทธการก็ตาละปุตตะไงเป็นนักร้องมีหางเครื่องตั้งพันคนเป็นนักร้องดังอยู่ในกรุงราชเกลือตาละปุตตะถามว่าคนมีหางเครื่องพันคนเนี่ยลงวงตีใหญ่ไหมมีเคยเจอไหมละ่ะหางเครื่องพันออกมาแสดงทีละห้าร้อยคนแต่ละคนต้องได้รับรางวัลเป็นแสนกหาบะนะ ต้องได้รับพวงมาลัยขนาดนั้นดังมากดังทั่วชมพูทวีปเนี่ยตาลาบุตรตาเนี่ยเขาคิดว่าเออเนี่ยพูดคําเท็จบ้างคําจริงบ้างพูดตลกโปกฮาบ้าง เ, เพื่อให้ทนแตคลายทุกข์เขาจะได้รับความสุขเฮครับสนุกสนานล่าเริงแล้วก็สอนกันมาว่าการทําให้คนอื่นสนุกสนานล่าเลงตายแล้วไปเกิดใ น, นสวรรค์ก็มีที่มีเพราะว่าเพราะไปสร้างความสุขให้กับคนอื่นก็เชื่ออย่างนี้ไง มีอยู่วันหนึ่งก็มาสแสดงที่กรุงราชคลึรู้ว่าพาระเจ้าประทับที่นั่นก็เลยพากันไปฟ้าพาระเจ้าอยา ก, กไปถามว่าตนเองเนี่ยตายไปแล้วจะอยู่ในสวรรค์ชั้นไหนพระเจ้าก็ไม่พูดบอกว่าไม่ตอบท่านก็ดันจะถามอยู่นั่นแหละพระเจ้าว่าเอ้ยนี่ไม่ตอบไม่ได้พดระเจ้าก็เลยบอกว่ามันมีถามบอกว่าปกติเนี่ยคนเราเนี่ย มีความโลภมีราคะความกำหนัดโทสะความโกรธโมหะความหลงอยู่ไหมมีการกระทาของเธอเนี่ยมันเป็นการไปเพิ่มราคะโทสะโมหะหรือเป็นลดราคะโทสะโมหะเพิ่มหรือลดมันทำให้เพิ่มไปให้อาหารเขาทำให้อาหารความโลภมันมากขึ้นอาหารความโกรธความหลงความไม่รู้ความไม่เข้าใจความมัวเมามันมากขึ้นการเพิ่มอย่างนี้มันเป็นบุญหรือเป็นบาป เมื่อเป็นบาปแล้วมันจะให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ตั้งแต่นั่นแล้วตั้งแต่ที่ทําแล้วฉะนั้นมันก็เลยมีนรกอยู่ขุมหนึ่งเขาเรียกขาสะนรกนรกขุมนี้เป็นนรกของพวกนักสแสดงพอพี่อยู่เนี่ยพื้นมันจะร้อนจะมีเสียงดังพอไปที่นี่จะต้องดิ้นมันร้อนเท้ามันเนี่ยต้องตะโกนแล้วก็ร้องวิ่งกันอยู่งั้นแหละ <c oughs> พอพูดอย่างนี้ตาเราปวด พอตาลปุตตาฟังอย่างนั้นก็เลยร้องร้องไห้เล ย, เยพระเจ้าก็บอกแล้วว่าอย่าถามเงี่ยบอกว่าที่แกร้องไห้เนี่ยจะนึกถึงอาจารย์อาจารย์ของอาจารย์ที่ต่อกันมาเนี่ยร้ อ, องไห้ทำไมตายไปหมดแล้วเพราะงั้นเนี่ยมันตกนรอกหมดแล้วเนี่ยก็เลยหยเลยก็เลิกเลิ ก, ลกทันทีแกก็เลยมาบวชแล้วต่อมาก็ได้บรรลุตาลปุตตะ เห็นไหมเนี่ย <c oughs> ไม่มันดีก็มีร้องให้คนได้เกิดความเพียรร้องให้เกิดได้เกิดความเชื่อมั่นร้องให้เกิดความให้มีสติร้องให้เกิดคนมีความไอ้หวังในชีวิตในการที่จะดำเนเินชีวิตที่ดีถ้าอย่างนี้ก็เป็นกุศลไปสิแต่พูดเทศปลนจริงจรงปนเทศตลกโปกฮา ไม่รู้จั ก, Onion มก Aí, ไม่รู้สิก็ไปวีไชยเองพระไม่เกี่ยวไม่เคยดูก็เคยเคยได้ยินเขามาเล่าเหมือนกันเพราะมีเด็กที่เคยมาที่เนี่เขาเป็นแฟนของไอ้คณะพวกนี้แล้วก็อะไรนี่เคยมีน้องน้องท่านไหนท่านอะไรก็ ไอ้เจ้าอยู่ในวงนี้เป็นแฟนของน้องท่านไน้เนี่ย น, น้องท่านไน้เนี่ยก็ไปคบกับผู้หญิงพวกนี้เด็กเด็กนักร้องพวกนี้ไปเป็นแฟนกันไง ก, ก็เลยมีเรื่องมีราวขึ้นมาเห็นว่ามีเรื่องราวตอนนั้นก็รู้สึกว่าเป็นอะไรนี่แหละเขาไปลงข่าวไปพากันไปเที่ยวแล้วมีคนไปมีภาพแชร์ออกมาก็ก็ มีการไปลงทุงลงโทษกันหนึ่งก็ก็ไม่เป็นไรนี่ถ้าทำกุศลมันก็ได้บุญทำบาปมันก็ได้บาใช่ไหมกุศลไม่กด้ให้ผลเป็นสุขอกุศลก็ให้ผลเป็นความทุกข์อยู่แล้วเวลาทาบาปเข้าไปเนี่ยสภาพจิตเป็นยังไง ก็เศร้าหมองจิตก็ไม่สะอาดจิตก็เศร้าหมองจิตก็อ่อนแอจิตก็เสพแต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากโลภกดหลงกุ้มลุมในใจจิตก็เร่าร้อนเมื่อสภาพจิตเป็นแบบนี้แปลว่าบาปมันให้ผลที่จิตใจแล้วใช่ไหมนะเข้าก็แสดงออกมาที่บุคลิกภาพบุคลิกภาพที่แสดงออกมาก็มีสภาพที่ หยาบกร้านแสดงออกมาทั้งพฤติกรรมทั้งสภาพจิตใจพฤติกรรมแสดงออกมาก็หยาบสภาพพฤติกรรมที่แสดงออกมาก็ไม่ไม่อ่อนไม่อ่อนโยนสภาพที่แสดงออกมาก็เครียดก็กร ก, ก, ก็ก็บึ้งตึงมันก็ได้ผลระดับที่สองระดับที่สามก็เสื่อมลาบเสื่อมยศโดนนินทาประสบความทุกข์ผิดหวังระดับที่สี่ก็พ่อแม่สังคมปู่ตายายยายก็ได้รับผลกระทบในทางที่ไม่ดี มันก็ให้ผลมันอยู่แล้วนี่ไม่เห็นเป็นไรก็สร้างเหตุยังไงมันก็ได้หนึ่งสภาพจิตใจสองบุคลิกภาพสามสภาพเสื่อมลาบเสื่อมยศโดนนินทาประสบความทุกข์สี่สภาพสังคมพ่อแม่ปู่ตายา ย, ยายายได้รับผลกระทบในทางที่ไม่ดีไปด้วยเป็นต้นนี่ใช่ไหมใช่ผลของบาปไหมถ้าทนของบุญมันก็เหมือนกันสภาพจิตใจก็ะสะอาดเอี่ยมอ่องผอ ง, องแผ้วใจมีความสุขใจตั้งมั่นใจชานฉลาดสุขสมอัได้ก็เกิดขึ้น จิตผ่องแผ้วจิตสะอาดจิตชานฉลาดเกิดขึ้นสภาพเอื้อทั้งหลายเกิดขึ้นจิตสงบไม่ฟุ้งซ่านบุคลิกภาพก็ออกมาด้วยความอ่อนโยนดีงามได้ลาบได้ยศสรรเสริญสุขสมหวังพ่อแม่ปุตตายายๆก็ได้ผลที่ดีงามสภาพสังคมก็น่าอยู่มันก็ให้ผลมันอยู่แล้วในเรื่องของบาปหลืบุญก็ไม่เห็นเป็นไคุณจะทำบาปมันก็ได้ผล ของบาปควมบุญก็ได้ผลของบุญไม่เห็นต้องไปทุกข์ใจอะไรกับมันเห็นความจริงตรงนี้เสร็จเก็เข้าใจมันเข้าใจยังพอพอเห็นอย่างนี้เข้าใจเหตุแล้วเข้าใจผล <c oughs> ก็ไม่เป็นไรจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้เด็กก็ได้ทำบาปก็ต้องเศร้าหมองทำบุญก็ต้องผ่องแผ้วใช่ไหมอ๋อเป็นถ้าเป็นห่วงก็มีศักยภาพไหมต้องมาถามก่อนตรงนี้ถ้ามีศักยภาพก็สร้างเหตุปัจจัย ก็รืองามาวัดเราถ้าเรามีศักยภาพก็สร้างกิจกรรมสิกิจกรรมดีๆเยอะทุ่มเทรรมมันมีวิธีการมากมายก็อาจจะไปจุดกระแสที่โรงเรียนเลยนุกบาลเออยปถมมัธยมสร้างเหตุปัจจัยระดมคนที่มีข้อมูลความรู้ไปไปช่วยกันจัดสรรให้บ้านวัดโรงเรียนมันเชื่อมโยงกันไงทำมันเป็นเหมือนสังคมของศีรัง ก, ก็ได้แต่ศักยาภาพถึงหมถ้าถึงก็ทาเลย หรือไม่งั้นก็ชวนกันหลายๆคนไปช่วยกันทําจัดกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ชักชวนเจตนาดีปัญญาต้องถึงด้วยนะห้ามเจตนาดีแล้วปัญญาไม่พอก็ทําไม่ได้อีกเข้าใจยังเอออย่างงี้ก็ต้องไม่ยากใช่ไหมละ่ะของอะไรคอยรู้เหตุผลนะทําได้หมดแต่พระไม่ทํพาพระก็ทําอยู่นะทุกวันก็ทําเต็มที่ไม่ใช่ไม่ทําก็ทําตามศักยภาพที่ทําแล้วมาทําตลอดนะ เดี๋ยวก็พอทำแล้วเหนื่อยมากๆก็ไปอยู่ป่าเดี๋ยวก็กลับมาทำใหม่ก็ อ, อยู่อย่างเงี้ยวนไปวนมาวกไปจนกว่าจะตายพอจะชัดเจนไหมนี่คือเรื่องศีลทีนี้เอาแล้วเอาศีลเนี่ยมาระลึกเมื่อกี้ต้องการพูดตรงนี้เวาลาจะระลึกถึงกุศลศีลก็ระลึกถึงพฤติกรรมทางกายทางวาจาและอาชีพที่ดำเนินด้วยความถูกต้องดีง ด้วยการไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมและลึกถึงสภาพจิตใจที่เป็นไปกับปลาโมดปิติปสัสธิสุขและสมาธิมันเกิดขึ้นพอละลึกอย่างนี้เบียดเสร็จปุ๊บเนี่ยดึงดึงพฤติกรรมดีๆงามๆที่องมาดึงสภาพจิตใจดีๆงา ม, งามที่เป็นศีลแต่ละข้อพอมาละลึกเอามาจับให้จิตรับรู้ให้สมาธิตั้งมัน่นจากการระลึกถึงตัวกุศลศีล ที่มันเป็นไปทั้งนามธรรมา ท, ทั้งรูปธรรม ท, ทั้งพฤติกรรมที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามเห็นสภาพของกระแสชีวิตของตนเองอะ่ะไม่เบียดเบียนใครไม่ฆ่าใครไม่ไปประพฤติประทุไปพฤต ผิดในกระแสชีวิตของใครไม่ตัดรอนกระแสชีวิตของใครไม่ไปลักทรัพย์ใครไม่ได้ไปเบียดเบียนทรัพย์ของใครไม่ไปผู้ผิดในกามไม่ได้ไปกล่าวเทว็จสอเสียดคําหยาบและเพื่อเจริญดำเนินชีวิตได้ถูกความถูกต้องดีงามมีสติสัมปชัญญะในการกํากับในการดําเนินชีวิตของตัวเองคิดเอามาจับดึงตรึงและมาจับไว้โอ้โหพอระลึกระลึกระลึกระลึกไปสภาพจิตผ่องใสสมาธิตั้งมัน ปราโมทเกิดปีติเกิดสุขเกิดโสมนัสเกิดสมาธิตั้งมั่นสภาพจิตที่ผ่องใสอภิชาก็ไม่ไหลเข้าโทมนัสก็ไม่ไหลเข้าจิตสะอาดเอี่ยมอ่องผ่องแผ่มีปัญญาลูเราเป็นสัตว์ที่สะอาดโนาะเราดําเนินไปตามมรรคคาของพิชินชินญาจ้าเราปรารถนาการเสื่อจากกิเลสและกองทุกน้เป็นสติปัฏฐานยังเป็นแล้วนี่สติปัฏฐานเกิดเลย ใช่ไหมยากไหมเกิดได้จริงไหมเห็นไหมเนี่ยทำไมไม่ทำกันล่ะโอ้เป็นนึกถึงใดๆโอ้โหเนี่ยเราเป็นสัตว์ที่สะอาดไม่เคยทำผิดเลย เห็นคนอื่นทําชั่วตูมก็พิจาราณาถึงตนเองโอ้เราไม่เคยเป็นสัตว์ที่โสโปกเราไม่เคยไปฆ่าสัตว์รักษาเ ป, ปิดเผยผิดในการพูดเทศสอเสียดคาหยาเพื่อเจื่อไม่เคยดําเนินชีวิตผิดพลาดเราใช้กระแสชีวิตที่ถูกต้องดีงามปาลโมดเกิดไหมปีติปฏิสติสุขสมาธิเกิดโอ้ยได้เต็มทีพอไปเห็นคนเขาทาบาปพไอ้นี่เร็วแท้ๆมันน่าฆ่าเนีก <c oughs> <c oughs> ็อะไเรื่อง คนทำบาปเองก็เศร้าหมองเองไหมไ ม, ไม่ทำบาปเองก็หมดจดเองไหมความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนไหมคนอื่นยังความบริสุทธิ์ให้คนอื่นไม่ได้เราก็ทำเองที่ไอ้นะั้นเป็นทําชั่วมันได้รับผลชั่วไปบาปก็ต้องให้ผลเขาอยู่แล้วเดี๋ยวก็โดนจับโดนตีโดนทุบก็สัตว์โลกทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมอยู่แล้วเห็นเป็นไรเลย เราไม่ต้องอุไอ้นี้ชั่วจริงนะมันน่าฆ่าเนี่ยนีม่มีพิพากษาเขาเลยอย่าไปทำชอบทําตัวเป็นผู้พิพากษาเนี่ยพวกเราเนี่เจ้าจั้งงั้นคนที่ทําตัวเป็นผู้พิพากษาเนี่ยไปอยู่ในที่ไหนก็เดือดร้อนใช่ไหมละ่ะเขาไม่ได้ทําอย่างนั้นในพระศาสนาเนี่ย อย่างนี้อยู่กับสามีอยู่กับพ่อแม่ก็ลําบากล้วอยู่แล้วอึดอัดนะเช่นพาแม่ไปหาหมอหมอบอกว่าเนี่ยต้องกินยาต้องอะไรต่างๆเพราะว่ า, มาแม่ <c oughs> นี่ยาเกี่ยวความดันยาเบาหวานยาหัวใจแปดโมงตื่นมาไ ม, ไม่กินอาหารกินไม่ได้ต้องกินแบบนี้หมอก็สั่งว่าอย่างเงี้ยพยภาครา อึดอัดนะใครได้ภรรยาอย่างนี้ได้ลูกอย่างนี้ได้สามีอย่างนี้ได้ได้พ่อแม่แบบนี้อึดอัดตายเลยไม่เข้าใจในการไม่ใช่พุทธบริษัทจะพุทธบริษัททำไงอาญามาแม่นิยานะหมอเขาบอกว่าให้กินตอนแปดโมงให้ดื่มน้ําเยอะๆอันนี้เป็นโรคหมดแก่โรคหัวใจไตตับความดัน หมอบอกให้กินอาหารแบบนี้แต่หนูเข้าใจแม่นะงั้นหมอสั่งอย่างนี้แม่จะกินตามหมอก็ได้ไม่กินตามหมอก็ได้ถ้าแม่อยากมีกระแสชีวิตที่ยืนยาวอยู่กับหนูนานๆแม่ก็รักษาตัวให้เป็นไปตามที่หมอบอกแต่หนูก็รู้ว่ามันยากแต่ถ้าแม่ไม่ปราถนาก็ไม่เป็นไรหนูเคารพการตัดสินใจของแม่ อันนี้อาหารที่แม่ชอบอันนี้อาหารที่หมอบอกแม่จะทำอย่างไรหนูเคารพการตัดสินใจของแม่นะหนูลักแม่ใจก็ปรารถนาอยากให้แม่อยู่ น, น, นานๆแต่หนูก็รู้ว่ากินอาหารแบบนี้มันไม่ง่ายหรอกเป็นหนูก็ยากเหมือนกันแต่ถ้าหนูอยากอยู่นานหนูก็ฝึกตัวเองถ้าไม่อยากอยู่นานก็ยังไงก็กิกนไปเรือ่อยๆแต่หนูรักแม่นะอยากให้แม่อยู่ น, น, นานๆ เข้าใจไหมอย่างนี้แม่จะเชื่อใจไหมโอ้โหรักลูกคนนี้อีกห้าเท่า <c oughs> นี่เขาเขาปฏิบัติทำเขาทากันอย่างงี้เขาพูดเป็นไม่ใช่แค่พูดได้เขาทำเป็นไม่ใช่แค่ทำได้เขาสื่อสารเป็นไม่ใช่สื่อสารได้แค่สื่อสารได้เขาคิดเป็นไม่ใช่แค่คิดได้เขาดูเป็นไม่ใช่แค่ดูได้เขากินเป็นไม่ใช่กินแค่กินได้โอโ้มันเป็นหมดเลยใช่ไหม คำว่าเป็นมันสำคัญมากไอ้คำว่าได้มันต้องแก้ไขอีกเยอะเข้าใจยังต้องฝึกไงงานบันต้องฝึกใช่ไหมเวลาเขาพ่อแม่ผู้ตายายยายตาพี่ภรรยาเห็นนะเซ็งแล้วไม้รูปนี้เลยไอจะเถียงมันก็ไม่ได้เพราะพูดคำเดียวมันเถียง ก็แก้งเฉยๆไ ป, ไปไงั้นเดิในใจคขาเซ็งก็คุยกันไม่ได้แล้วช่ไหมเพราะเป็นที่เจ้านี้ทําตัวเป็นผู้ภากษาหมดเลยต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ตัดสินก็ไปหมดนั่งรถไปก็ตัดสินคนบนรถตัดสินคนนี้นีหน้าฆ่าเนี่ยอันนี้ไปเลยอีนี้เขาขับรถมันหน้าไปตายด้วยเนี่ยพวกนี้ผู้ภากษา อยู่ร้อนนอนทุกข์เข้าใจยังมีไหมเขาขับรถปาดหน้าฟุดโอ้ขอให้เขาปลอดภัยนะก็ปฏิบัติธรรมไงใช่ไหมโอ้ขอให้เขาปลอดภัยนะเขาคงรีบในการที่จะไปหาพ่อแม่บูตายาๆเขาคงมีปัญหาชีวิตคงเดือดร้อนขอให้เขาอย่าได้เดือดร้อนเลย ก็ไงก็บอกงก็ก็ก็ไม่เห็นเป็นไรเขาก็เขาอยากโชว์ศักยภาพโชว์ความสามารถของเขาใช่ก็เหมือนคนที่ไอพละกกำลังเขามันเยอะ แล้วเขาประมาทในชีวิตเนี่ยไม่มีใครเตือนเขาเขาไม่รู้ว่าชีวิตเนี่ยมันได้มายากเขาไม่รู้ว่าความตายมันมีอยู่เฉพาะหน้าโอกาสพลาดพลั้งมันก็เยอะแล้วเขาก็มั่นใจตัวเองแบบขาดสติเขาคิดว่าการทำอย่างนี้มันเด่นมันดังมันโก้เลยทั้งหลายเหล่านี้เขาข้อมูลเหล่านี้เขารับมาจากไหนมาเ็รับจากสภาพสังคมสิ่งแวดล้อม เขาดูที่ไหนดูในเว็บอยู่ในทีวีอยู่ในสิ่งที่เขาดูอยู่แล้วก็คุยเรื่องอะไรเขาอยู่ในสภาพสังคมนี้อย่าว่าแต่เขาเลยถ้าเราไปอยู่ในสังคมอย่างนั้นเราก็เป็นเหมือนเขาเนี่ย น, น่ากระลุนาเขาไหมล่ะเออเนี่ยพอสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมสิ่งที่เขารับมันเป็นแบบนี้เขาถูกปลุกปั่นอย่างนี้เราต่างหากถูกคําสอนพระเจ้ากล่อมเกาขนาดนี้มีอย่งได้แค่ขนาดนี้เลย จริงๆเราน่าจะฮึกเขื่อมากกว่าเขาเนาะเออเขาไม่กลัวตายเนาะแต่เราทําไมกลัวตายเนาะจะไปเฝ้าพระเจ้าใช่ไหมล่ะโอ้โหเนี่ยเขาไม่กลัวตายเลยนะเขายอมเป็นทาสของกิเลสขนาดนี้โห้โหทำไมเราไม่ยอมเป็นทาสของพระเจ้ายอมอุทิศร่างกายและจิตใจของเราให้เต็มที่อย่างพวกนี้เนาะจะไปเฝ้าพระเจ้าเนี่ยไม่กลัวตายเลยอะทําไมเราทําไม่ได้เนาะพวกนี้น่าทึา่งมันเนาะ ใช่ไหมะไอเรานี่โอ้โหพลังเลอยู่นี şey ่แหละสงสัยในรารัตน์ไตรไม่แข็งแรงเลยใช่ไหมล่ะโอ้โหเราไม่ได้เสศษเสี yes ้ยวมันเลยเนี่ยหูยเพียงว่ามันใช้ความกล้าไปในทางที่อีกทางหนึ่งเท่านั้นเองถ้าพลิกไปอีกทางหนึ่งโอ้โหมันเป็นพลังมากเขาจะบรรลุธทำได้เลยนะถ้าเขาปฏิบัติทำจริงๆจังอย่างเงี้ยเพียงแต่เขามันพลิกไปอีกมุมหนึ่งเท่านั้นเองใช่ไหมล่ะ บางทีมันทีมันรักใครสักคนนึงโอ้โหมันทุ่มเทมันบิดร้อยแปดสิบสองร้อยไม่จะไปหาคนรักมันเนอเราเคยบิดสามร0อยสี่ร้อยไปหาพระเจ้าไหมแล้วไม่เคยเลยนะ <c oughs> เห็นไหมเราเนี่ยไม่กล้า ก, กับพระเจ้าเลยใช่ไหมกับกบตั้นหาเนี่ยโอ้โหปี๊ดปี๊ดปี๊ดเลยก็คิดแบบนี้พอจะออกไหย แล้วเราควรโกรธมันไหมคนเราเนี่ยมันมีจุดหมายจุดมุ่งหมายของเขาชัดแม้ตายเขาก็ไม่เสด็จดายชีวิตอสุดยอดเนี่ยนะเนี่ยเราต่างหากลังเลเท่ามาดาเขาเอยู่เจะไปหาว่าเขาเป็นคนไม่ดีถึงที่แท้จนตนเองโลเลไม่ไดมีจุดหมายเลยเลย ไม่เห็นต้องไปสุดแท้ใจเลยก็ต้องทึ่งเขาสิโอ้สุดยอดเนี้ยนี่เขาเนี่ยเขารักในสิ่งที่เข า, เ, ขาเชื่อเขามีศรัทธาเขาอุทิศกายอุทิศใจเพื่อสิ่งที่เขาเชื่อเราล่ะเราอุทิศกายอุทิศใจเพื่อพระพุทธเจ้าอย่างได้ถึงขนาดนั้นไหมโอ้เราน้อยกว่าเขามากเราเป็นคนโลเลเราเป็นคนไม่จริงจังเราตัางหากเป็นคนหน้าตําหนิ <c oughs> เข้าใจไหมล่ะ เราไม่เคยกล้าขนาดนั้นเลยกล้าไม่ราไปเฝ้าพระเจ้าขาขาดก็ต้องคานไปเฝ้าให้ได้แขนขาดก็จะต้องเดินไปเฝ้าให้ได้เราจะไม่ยอมเด็ดขาด <c oughs> ใช่ไหมมันไม่เคยเราไม่เคยอุทิศขนาดนั้นไงพอไปเจอวัยรุ่นอย่างนี้ก็เราทาท่าตําหนีแล้วเขาเชื่อเขาก็มีศรัทธาบางทีเขาศรัทธาในเพื่อนเนี่ยโห้ขาเต็มที่เลยนะ ยอมตายแทนเพื่อนเลยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยไหมเนี่ยทํายังไงเนาะเราจะรักพระเจ้าได้ขนาดเหมือนเขารักเพื่อนข้ากรแจังว่าเขามองว่าเพื่อนดีเาถึงรักเพื่อนขนาดนั้นแสดงว่าเพื่อนเป็นไอดอลเขาเป็นในดวงใจเขาจะไม่เราไม่เคยมีพระเจ้าเป็นไอดอลขนาดนั้นพอสวดมนต์เนี้ยอิติปิโสพระควาดูหน้าตาเศร้าสอยเลยไม่ค่อยจริงจังไม่ใช่ไหม ไม่เคยบอกโอ้โห و, พลังมาจากไหนก็ไม่รู้ฮึกเขิล ม, มากใครก็ขวางไม่ได้ใครจะมาขวางยานนะลูกนะออกไปไกลๆนะี่จมาขวางนะตอนนี้แม่กําลงังจะเฝ้าพู้ไเจ้าไม่ไกลก็ขวางไปเลยใช่ไหมใครก็ห้ามไม่ได้โอโ้ขนาดนั้นอนี่โอ้โหสกิดนิดเดียวแค่ น, นั้นนะรอมาสะกิดตั้งนานแล้ <c oughs> อยากจะหยุดสวดตั้งนานแล <c oughs> ใช่ไหมาก็กลายเป็นแบบนั้นหร คือประเด็นมันว่าคนดีทำดีง่ายแต่ทำชั่วยากคนชั่วเนี่ยทำดียากแต่ทำชั่ง่ายเอาแล้วเราเป็นคนดีคนเดียวมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าคนดีเนี่ยโอ้เรื่องดีๆมันทำง่ายมากแล้วเรางงเลยนะเอ๊ะมันทำยากได้ยังไงวะ คนบางคนโอ้โหยากมากเลิกเล่าเลิกวุ่นวี่ทำจะไม่ไปด่าคนอื่นนั้นยากเราเนื้อแปลไอ้เราเนี่ยทํายากใช่ไหมอ๋อว่าเรามีความดีอยู่ก็เป็นเรื่องปกติทีนี้ก็ฝึกจากไม่ดีให้เป็นคนดีจากดีอยู่แล้วให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปจากไม่มีศรัทธาก็ให้มีศรัทธาที่มีอยู่แล้วก็ให้ไพบูรณ์จากไม่มีความแกล้ง ก, ก, ก็ให้มีให้มีอยู่แล้วก็ให้เจริญไพบูรณ์ จากหลงลืมสติก็ให้มีสติที่มีอยู่แล้วก็ให้เจริญไปบุญจากฟุ้งซ่านก็ให้มีสมาธิที่มีสมาธิก็พัฒนาให้บริบูรณ์จากที่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็ไขว้คว้าให้รู้ให้เข้าใจที่รู้อยู่แล้วก็พัฒนาให้เจริญไปบุญนี่ก็เจริญแค่นี้เองมันเรื่องเรื่องเหตุเรื่องผลมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะมันไม่ได้ยากอะไรเลยมนุษย์แค่จะเข้าใจพระธรรมอะไรต่างก็ไม่ได้ยากแปลว่าวันวันหนึ่งมันมานาสกา ร, ร travel, ใส่ใจที่จะรู้ไหมฟังไหม ศึกษาไหมวิจัยแยกแยะไหมถ้ามันทำจริงจริงไม่มีอะไรที่จะทำไม่ได้มนุษย์ทาได้หมดแล้วเห็นเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะสามารถเอามาเป็นข้อฝึกได้หมดเป็นอุปกรณ์ในการเจริญสติได้หมดเห็นคนทําชั่วเห็นเขาทํากายยโจริตวจีทุจริญติเตียนพริรยาเจ้าแล้วก็รู้ทันทีเนี่ยเบื้องหน้าจะตายเพราะกายแตกเขาก็เข้าถึงอบายทุกขติวิธิบาตในโลกเห็นคนทํากายโสเจริตวจีสุจริญมโนสุจริตไม่ตีเตียนพริรยาเจ้า เบื้องหน้าจะ ต, ตายพวกรายแตกเขาก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็เห็นเหตุเห็นผลกันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมทำกรรมอย่างนี้ก็ต้องได้รับผลอย่างนี้เหตุผลเหมือนเราบอกถามว่าจะไปไหนกับกรุงเทพหันขับรถก็ไปจริงจริงกรุงเทพมันรู้ทางเหมือนกันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะไปไหนอยู่ที่รู้หรือไม่รู้แล้วมันพอสตาร์ทปุ๊บเนี่ยมันม่นใจเลยนะว่าต้องถึงมั่นใจได้ไงนะทั้งที่ไม่ถึงเชื่อมั่นอะไรศักยภาพใช่ไหมล่ะ ลองไปสตาร์ทสงสัยไม่รอดนี่ตรงนี้ประตูนี่แหละโตมตรงนี้แหละไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะมันเชื่อมั่นมาถึงบ้านนหมือกันเราดําเนินกระแสชีวิตในการทำสิ่งที่ดีมั่นใจว่านิพพานต้องถึงเนี่ยต้องบรรลุแน่นอนมันมั่นใจว่าเราทํำนี่เรามีจุดหมายนั้นจริงๆแล้วมันรู้เส้นทางมันรู้วิธีการมันเป็นอย่งนั้นไหมล่ะไม่ใช่ไม่รอดสงสัยไม่ถึงมันไม่เกิอย่างนั้นเลยนะ ไงอ๋อโอเคอ๋อโอเคโมทนาก็ได้แค่สติพื้นฐานนะแต่ว่าตรงนี้ก็อยากให้เราได้ได้ฝึกตนเองก็ะจะได้ พัฒนาทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาขอโมทนาก็ับพวกเราที่มาถวายอาหารแล้วก็มาเจริญกุศลกันขออนุภาพของคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เราดำเนินชีวิตไปตามมรรคาของพระชินเจ้าแล้วก็จนสามารถพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั่วถึงกันจงทุกประการสาธุ